ในโอกาสนี้จะขอกล่าวประวัติสั้นๆของพระอาจารย์สำหรับญ า, าติธรรมที่ยังไม่เคยรู้จักท่านนะคะท่านเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2495ณเขตป้อมปราบกรุงเทพจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและโทจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลังจากนั้นได้บวชครั้งแรกที่วัดชประทานลังสลิและศึกออกมารับราชการอยู่17ปีนะคะแล้วลาออกมาทาอาชีพอิสระ ท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุอีกครั้งเมื่อกลางปีพุทธศักราช2544ปัจจุบันท่านจำพรรษาอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสันติธรรมอําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะคะและหัวข้อธรรมที่ท่านจะบรรยายให้ความรู้ในวันนี้ก็คือการเจริญสติขออาราธนานิมนต์พระอาจารย์ให้ความรู้นบัดนี้เจ้าคะ่ะเจริญพร อ, อีกรอบโยมหลวงพ่อชอบโคศบนี้นะ พอเริ่มต้นก็บอกให้หันปยิ้มกับคนข้างๆชาวพุทธต้องเบิกบานนะเราอย่าไปวาดภาพว่าชาวพุทธจะต้องซึ ม, ซมๆึเครียดเครียดนัเข้าใจผิดแล้วถ้าเราเป็นชาวพุทธแท้ๆใจของเราฝึกอบรมมาดีเนะี่ยใจมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันมีความสุขมันมีความอิ่มเอิบจากภายในนะความมีเมิบจากภายในนะมันล้นออกมามันใช้ออกมา ใครเข้าใกล้เราก็มีความสุขไปด้วยเพราฉเราหัดภาวนานะใจเรามีความสุขขึ้นมาต่อไปคนที่แวดล้อมเราอยู่ก็จะมีความสุขด้วยอยู่ในครอบครัวครอบครัวก็มีความสุขมาอยู่ในที่ทำงานที่ทำงานก็มีความสุขทำยังไงเราจะสามารถเข้าถึงความสุขในชีวิตที่แท้จริงได้ใครๆก็สแสวงหาความสุขกันทั้งนั้นแหละ อยากได้ความสุขกันทุกคนมีใครไม่อยากได้ความสุขก็ประหลาดลนะนี่การสแสวงหาความสุขในทางโลกนะชาวโลกก็ต้องเอาอย่างกันนะอย่างเราก็คิดนะว่าเราต้องไปเรียนหนังสือก่อนตอนเด็กๆ เ, เรียนตามๆกันไปนะหวังว่าเรียนหนังสือได้หลายๆปริญญามีความรู้ดีๆนะอะไรนี่ชีวิตจะมีความสุขมีโอกาสทามาหากินดะีๆชีวิตจะมีความสุข มีเงินเยอะๆจะมีความสุขมีตำแหน่งใหญ่ๆมีอำนาจมากๆจะมีความสุขมีครอบครัวดีๆนะมีภรรยามีลูกมีสามีอะไรนี้สามีดีภรรยาดีลูกดีก็มีความสุขเนี่ยก็ใฝ่ายฝันแสวงหาความสุขกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งอายุเยอะขึ้นเยอะขึ้นถึงจนดหนึ่งพอแก่มากๆเจ็บป่วยบ่อยๆกระสอบกระแสะนะวันไหนไม่เจ็บไม่ป่วยนะแค่นั้นก็รู้สึกมีความสุขละ เราเที่ยวแสวงหาความสุขกันตลอดชีวิตเลยแต่ความสุขหายไปไหนความสุขเหมือนภาพลวงตาอยู่ข้างหน้าวิ่งวิ่งไปเหมือนจะหยิบได้เหมือนจะคว้าได้แล้วมันก็หลุดมือไปอีกตลอดชีวิตจะเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆในใจเราจะมีคำว่าถ่าอยู่ตลอดเวลาถ้าได้อย่างนี้จะสุขถ้าได้อย่างนี้จะสุขนะาไม่เป็นอย่างนี้จะสุข ม, มีคาว่าท่าตลอดมีเงื่อนไขตลอดในชีวิตนี้เพราะั้นก็วิ่งหาความสุขซึ่งมัน เหมือนกับวิ่งหนีเราไปเรื่อยๆนะเหมือนวิ่งจับเงาของตัวเองจับไม่ได้สักทีเหมือนเหมือนจะได้แล้วก็ไม่เคยจะได้เนี่ยการหาความสุขในทางโลกนะมันไม่มีที่สิ้นสุดหรอกแต่ว่าสุดท้ายปลายทางที่รออยู่ข้างหน้านะคือความทุกข์ไม่มีใครหนีพ้นหรอกถึงวันหนึ่งก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพลัดพรากจากคนที่เรารักต้องเจอสิ่งที่ไม่รักนะต้องไม่สมปรารถนานะไม่มีใครสมปรารถนาตลอดเวลานะ ในในชีวิตเนี้ยขั้นสุดท้ายเลยเรามีความตายรออยู่ข้างหน้าทุกคนยังไงก็ต้องเจอยังไงก็หนีไม่ได้งั้นความทุกข์มันรอเราอยู่ละอยู่ที่ว่าเราจะสามารถพัฒนาจิตใจตัวเองให้มันสูงขึ้นมาไหมถ้าจะสามารถยกระดับจิตใจของเราเองให้สูงขึ้นนึงมันสามารถพ้นทุกข์ได้นะแก่อยู่ก็มีความสุขได้พ้นทุกข์ได้เจ็บอยู่ก็พ้นทุกข์ได้นะจะตายก็พ้นทุกข์ได้ มันอยู่ที่ว่าเราสามารถพัฒนาจิตใจตัวเองยกระดับจิตใจตัวเองให้พ้นจากความทุกข์หรือไม่ถ้าไม่สามารถยกระดับจิตใจตัวเองให้พ้นจากความทุกข์ได้แนละ้วชีวิตก็จมอยู่กับความทุกข์เรื่อยไปเหมือนเหมือนจะมีความสุขแต่ว่าไม่มีจริงอ่ะนะเหมือนจะมีเหมือนจะมีพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้นะท่านสอนแทนที่ท่านจะสอนบอกว่า สาวกทั้งหลายนะพิกสูพิกษุณีอุบาโสอุบาสิกาทั้งหลายเรามาหาความสุขกันเถิดท่านไม่สอนอย่างนี้ท่านไม่ได้สอนให้เราวิ่งหาความสุขเพราะว่าความสุขจริงๆในโลกไม่มีจริงหรอกความสุขเป็นภาพลวงตานะเหมือนคนเดินอยู่ในทะเลทรายแล้วก็มองเห็นเป็นภาพลวงตานะว่ามีโอเอซิสอยู่ตรงนั้นตรงนี้พระพุทธเจ้าเลยไม่ได้สอนพวกเราให้เที่ยวแสวงหาความสุขแต่ท่านกลับสอนให้เราเรียนรู้สิ่งที่เรียกว่าทุกข ท่านสอนให้เราเรียนรู้ทุกทุกอยู่ที่ไหนทุกอยู่ที่กายทุกอยู่ที่ไหนทุกอยู่ที่ใจงั้นท่านสอนให้เราเรียนรู้อยู่ที่กายที่ใจถ้าเมื่อไหร่เราพัฒนาจิตใจได้เต็มที่เราจะสามารถอยู่กับทุก์ได้แบบไม่ทุกนะร่างกายก็มีอยู่นะมันก็แก่มันก็นเจ็บมันก็ตายไปตามธรรมชาติธรรมดาแต่ไม่ทุกนะจิตใจเนี่ยจะเจอสิ่งที่ชอบสิ่งที่ไม่ชอบนะมันก็ไม่ทุก มันสามารถพัฒนาตัวเองให้พ้นจากความทุกข์ได้ถ้าเมื่อไหร่ไม่ทุกขนะ์เมื่อนั้นแหละสุขนิพพานเราเคยได้ยินคำว่านิพพานนิพพานท่านบอกว่าเป็นสุขนะนิพพานเป็นบรมณ์สุขทําไมนิพพานเป็นสุขเพราะนิพพานนั้นพ้นจากขันพ้นจากกายพ้นจากใจพ้นจากตัวทุกข์ทําไมเราจะสามารถพัฒนาจิตใจใตัวเองให้พ้นจากตัวทุกข์คือให้หมดความยึดถือในกายในใจได้ ถ้าเมื่อไร่เราเกิดปัญญาเห็นความจริงของกายของใจว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนล้วนถ้าเห็นได้อย่างนี้นะจิตจะปล่อยวางความยึดถือในใกายในใจพวกเราวันนี้หลวงพอดูดูหน้าแล้วยังไม่มีใครที่สามารถเห็นความจริงว่ากายเป็นทุกข์ล้วนล้วนจิตเป็นทุกข์ล้วนล้วนพวกเรามีใครรู้สึกว่ากายเป็นทุกข์ล้วนล้วนมีไหมเรารู้สึกไหมว่าร่างกายเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้าง จิตเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างนี่เรียกว่าเราไม่รู้ทุกข์นะเรายังไม่เข้าใจศาสนาพุทธตัวจริงหรอกเรายังเห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตใจเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างในขณะที่พระพุทธเจ้าสอนว่าขันห้าเป็นทุกข์กายกับใจเป็นทุกข์งั้นเรายังไม่ได้รู้ซึ้งถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็เลยยังพ้นทุกข์ไม่ได้นะตราบใดที่เรายังเห็นว่ากายนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างจิตนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างมันยังมีทางเลือก เราก็จะดิ้นรนแสวงหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์ไปเรื่อยๆความดิ้นรนที่เกิดขึ้นทางใจนี่เองใจมันมีความอยากมันอยากมีความสุขมันอยากพ้นจากความทุกข์พอใจมันมีความอยากขึ้นมาใจมันก็จะดิ้นรนใจที่ดิ้นรนนั่นแหละยิ่งดิ้นรนยิ่งมีความทุกข์นะยิ่งดิ้นรนยิ่งมีความทุกข์ถ้าเมื่อไหร่พ้นจากความดิ้นรนพ้นจากความปรุงแต่งได้ถึงจะพ้นทุกข์แต่มันพ้นไม่ได้นะมันจะต้องดิ้นไปเรื่อยๆ เพราะเรายังไม่เห็นความจริงของกายของใจพระอริยะทั้งหลายนะอย่างถ้าพระโสดาพระสกทาคาอะไรเนี่ยก็ยังเห็นกายเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างนะถ้าภาวนาไปถึงขั้นที่เห็นกายเป็นทุกข์ล้วนๆเนี่ยจิตจะไม่ติดอยู่ในโลกแล้วจะเป็นพระอนาคามีถ้าสามารถภาวนาต่อไปจนเห็นว่าจิตนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆนะจะปล่อยวางความยึดถือจิตไม่ยึดถือกระทั่งตัวจิตรานั้นถือถือว่าที่สุดของการปฏิบัติธรรมและนะ เนี่ยภาวนาไปนะถึงจุดหนึ่งมันจะไม่ยึดในกายไม่ยึดในใจแล้วมีความสุขเพราะกายกับใจเป็นตัวทุกข์คล้ายๆว่าสมมติว่านาฬิกานี้เป็นตัวทุกข์นะมันเป็นตัวทุกข์เป็นภาระถ้าเราต้องถือตลอดเป็นภาระเราวางลงไปได้แล้วก็มีความสุขนะเราหมดจากความทุกข์มันก็มีความสุขขึ้นมา นี่ปัญหามันก็มาถึงที่ว่าทำยังไงเราจะสามารถเห็นความจริงได้ว่ากายนี้เป็นทุกข์จิตนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างอย่างที่เห็นอยู่ทุกวันนี้การที่จะรู้ว่ากายเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์ไม่ใช่สะกดจิตตัวเองไม่ใช่โปรแกรมจิตให้เชื่อแต่เป็นการเข้าไปดูมีสติเข้าไปรู้ความจริงของกายมีสติเข้าไปรู้ความจริงของใจ การมีสติเข้าไปรู้ความจริงของกายมีสติเข้าไปรู้ความจริงของใจนี่แหละเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐา น, นไม่ใช่มีสติรู้กายรู้ใจเฉยๆนะถ้ามีสติรู้กายเฉยๆรู้ใจเฉยๆเป็นสมถะกรรมฐานเพ่งกายเพ่งใจต้องเห็นความจริงของกายของใจด้วยถึงจะเป็นวิปัสสนาตัวจริงความจริงของกายของใจคือมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหมายถึงว่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับ ทำยังไงเราจะสามารถเห็นได้ว่ากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้แหละเป็นศาสตร์ที่พวกเราควรจะเรียนพวกเราแต่ละคนแต่ละคนนะเราเรียนวิชาทางโลกมาเยอะแล้ววิชาทางโลกเนี่ยช่วยให้เราทำมาหากินได้นะเลี้ยงชีวิตอยู่ได้มีความสุขตามสมควรแต่ละคนแต่ละคนลองมาศึกษาวิชาทางธรรมะดูวิชาทางธรรมะเนี่ยจะให้ความสุขที่อัศจรรย์ยิ่งกว่านั้นอีก อย่างความสุขในทางโลกนี่มันจะของชั่วคราวเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวเข้าไปแต่ถ้าเมื่อไร่เราเข้าใจถึงความสุขในทางธรรมแล้าจะรู้เลยว่ามันมีความสุขอยู่ทั้งวันมีความสุขอยู่ทั้งคืนเศรษฐกิจไม่ดีก็ยังมีความสุขนะร่างกายเจ็บป่วยก็ยังมีความสุขทําไมมีความสุขอยู่ได้มีความสุขอยู่ได้เพราะไม่ยึดถือกายยึดถือใจทํำยังไงถึงจะไม่ยึดถือกายยึดถือใจได้ต้องมีปัญญาเห็นความจริงของกายของใจ ตัวที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้ทั้งคือตัวปัญญานั่นเองพระพุทธเจ้าเคยสอนบอกว่าบุคคล น, นี่ถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยศีลด้วยสมาธินะแต่ศีลและสมาธินั้นเพื่อกุลให้เกิดปัญญาเท่านั้นเองนะตัวสําคัญก็คือต้องพัฒนาจนมันเกิดปัญญาเห็นความจริงของกายของใจให้ได้วิธีการที่จะทําให้เราสามารถเห็นความจริงของกายของใจได้ก็คือเราต้องพัฒนาเครื่องมือสองตัวเครื่องมือตัวแรก เรียกว่าสติเครื่องมือตัวที่สองเรียกว่าสัมมาสมาธิถ้าเรามีสองตัวนี้มีเครื่องมือสองตัวนี้นะปัญญามันจะเกิดจะเห็นความจริงของกายของใจว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้ถ้าขาดเครื่องมือสองตัวนี้จะไม่เกิดปัญญานะเครื่องมือตัวแรกที่เรียกว่าสติสติแปลว่าความระลึกได้พวกเรารุ่นหลังๆเริ่มคลาดเคลื่อนเราไปแปลสติว่ากาหนด กำหนดลมหายใจเรียกว่ามีสติกำหนดมือกำหนดเท้ากำหนดท้องนะกำหนดจิตให้สงบอะไรเรียกว่ามีสติแค่นั้นไม่พอนะสติคือความะระลึกได้หมายถึงว่าสภาวะใดๆเกิดขึ้นที่กายสติะระลึกได้โดยไม่ได้จงใจะระลึกอะไรเกิดขึ้นในจิตใจสติะระลึกได้โดยไม่ได้จงใจจ ะ, ะระลึกนะถ้าจงใจะระลึกนะเจือปนด้วยความอยากเจือปนด้วยโลภะนะไม่ใช่สติตัวจริงหรอก ทำยังไงสติที่แท้จริงถึงจะเกิดในพระพิธรรมสอนบอกว่าธีระสัญญาทอถุงสระอิรอเรือธีระสัญญาการที่จิตจําสภาวะได้แม่นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติทําไมจิตถึงจะจําสภาวะได้แม่นสภาวะคืออะไรสภาวะคือรูปธปรรมนำมาทำรูปธรรมเช่นร่างกายที่หายใจเข้าร่างกายที่หายใจออกร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนนี่เป็นสภาวะที่เป็นรูปธรรม สภาวะที่เป็นนามรทมเช่นความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยๆความโลภความไม่โลภความโกรธความไม่โกรธความหลงความไม่หลงนะความฟุ้งซ่านความหดหู่ความดีใจเสียใจนี่เป็นสภาวะที่เป็นนามรทมจิตจะเกิดสติได้ถ้าจิตจำสภาวะได้แม่นเพรนะหน้าที่ของเราเนี่ยไม่ต้องทำอะไรมากๆอย่าไปคิดนะว่าจะบังคับสติให้เกิดได้ สติเป็นอนัตตาไม่มีใครสั่งให้เกิดได้แต่ถ้าสติมีเหตุคือสติคือจิตจำสภาวะได้แม่นสติจะเกิดขึ้นโดยไม่ได้จงใจให้เกิดนะหน้าที่เราตอนนี้ไม่มีอะไรมากหน้าที่ของเราตอนนี้หัดรู้สภาวะที่กำลังเกิดขึ้นในกายในใจบ่อยๆหายใจออกก็คอยรู้สึกตัวอย่าใจลอยอย่าไปเพ่งอยู่ที่ร่างกายแค่รู้สึกหายใจเข้าก็รู้สึกตัวนะไม่ใจลอยแล้วก็ไม่เพ่งอยู่ที่ร่างกาย นะยืนเดินนั่งนอนก็คอยรู้สึกตัวแต่ก็ไม่เพ่งร่างกายจิตใจเป็นสุขจิตใจเป็นทุกข์จิตใจเฉยๆก็แค่รู้ไม่เพ่งจิตใจนะเราก็ไม่ลืมเนื้อลืมตัวถ้าลืมตัวไปก็ลืมกายลืมใจนะถ้าไม่ลืมตัวก็รู้กายรู้ใจในขณะเดียวกันอย่าไปเพ่งมันถ้าเพ่งแล้วมันนิ่งแค่รู้แค่ะระลึกแค่ะระลึกนะงั้นอะไรเกิดขึ้นในใจเราคอยรู้ไปเล่นๆรู้เล่นๆถึงจุดหนึ่งสติแท้ๆจะเกิดขึ้น เช่นนั่งฟังหลวงพ่อพูดรู้สึกไหมขณะที่ฟังหลวงพ่อพูดฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดสลับกันดูออกไหมไม่ใช่ฟังอย่างเดียวไม่มีใครหรอกที่ฟังอย่างเดียวที่เราบอกว่าเราตั้งใจฟังตั้งใจฟังจริงๆเราฟังสลับกับคิดแต่เราไม่เคยเห็นต่างหากนะนะต่อไปนี้ลองค่อยสังเกตฟังหลวงพ่อพูดสังเกตไหมฟังไปคิดไปฟังไปคิดไปนะเนี่ยเราหัดดูไปนะจิตไปฟังเราก็รู้ทันจิตกําลังไปคิดเราก็รู้ทันหัดรู้อย่างนี้บ่อยๆ ต่อไปพอจิตไหลไปคิดปั๊บนะสติจะเกิดเองเลยมันจะระลึก ข, ขึ้นได้เลยว่าอ๋อหลงไปคิดแล้วมีคําว่าแล้วนะอ๋อหลงไปคิดแล้วมันโกรดขึ้นมาสติระลึกได้มันจะรู้เลยอ๋อหลงไปโกรธแล้วมีคําว่าแล้วหมายถึงว่ากิเลสทั้งหลายมันเกิดขึ้นก่อนแล้วเราก็ค่อยรู้ว่ามันเกิดอย่าไปดักดูนะเมื่อกี้นี่มีโยมผู้หญิงคนนึงมาถามหลวงพ่อว่าพ่อนานแล้วมันผิดตรงไห น, นผิดตรงที่ไปดักดู ไปรอดูจะไปดูจิตนะก็รอดูว่าเมื่อไรจะมีอะไรเกิดขึ้นอย่างนี้กลายเป็นการเพ่งจิตไม่มีอะไรให้ดูหรอกนะต้องรอให้สภาวะมันเกิดก่อนเช่นมันมีปีติขึ้นมารู้ว่ามีปีตินะมีความสุขขึ้นมารู้ว่ามีความสุขมันเฉยเฉยรู้ว่าเฉยเฉยมันโลภมันโกรธมันหลงก็ค่อยรู้เอานะให้สภาวะเกิดแล้วก็ค่อยรู้สภาวะเกิดแล้วก็ค่อยรู้นั่งฟังอามาพูดบางคนใจลอยยอมรู้สึกไหมใจลอยใจหนีพิคิด แถมคิดเรื่องอื่นด้วยเนี่ยพอใจมันไหลไปคิดเราก็รู้ทันว่าใจไปคิดใจไปดูรู้ว่าใจไปดูใจไปฟังรู้ว่าใจไปฟังใจสุขใจทุกข์ใจเฉยเฉยรู้อย่างที่เขาเป็นไปเรื่อยๆใจโลภใจโกรธใจหลงรู้อย่างที่เขาเป็นไปเรื่อยๆอย่าบังคับให้นิ่งอย่าบังคับกายอย่าบังคับใจนะแค่มีสติตามรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจไปเรื่อยเรแล้วสติตัวจริงถึงจะเกิดขึ้นไม่ได้จงใจให้เกิด คราวหนึงนะหลวงพ่อไปกราบหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อภาวนากับหลวงปู่ดูลนะแต่เสร็จแล้วภาวนาแล้วเราก็ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองครูบาอาจารย์ที่ไหนดีเราก็ไปเรียนไปเรื่อยๆมีวันนึงไปหาหลวงพ่อเทียนท่านกําลังสอนโยมอยู่มีโยมไปเรียนกับท่านเยอะนะหลวงพ่อเทียนสอนขยับมือทําจังหวะหลวงพ่อเทียนขยับแล้วหลวงพ่อเทียนรู้สึกตัวนะคนส่วนใหญ่ขยับแล้วเพ่งใส่มือหรือไม่ก็คิดเรื่องมือว่าท่านนี้แล้วเดี๋ยวต้องท่านนี้เดี๋ยวถ้าท่านนี้อะไรเงี้ยนี่คิดเอา<ข> <sh> ถ้าไม่คิดก็เพ่งหลวงพ่อเตียนเรี่ยเคลื่อนไหวแล้วหลวงพ่อเตียนรู้สึกหลวงพ่อเป็นคนตาไวเห็นหลวงพ่อเตียนปุ๊บโอ้หลวงพ่อเตียนตื่นเลยนะหลวงพ่อเตียนเคลื่อนไหวหลวงพ่อเตียนรู้สึกตัวกลับมาบ้านเรามาลองเล่นบ้างเราเคยแต่หัดดูจิตนะดูลมหายใจดูอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เคยลองขยับมืออย่างหลวงพ่อเตียนดูมาลองมาขยับเล่นดูร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกเห็นไปเรื่อยเห็นมันเคลื่อนไหวเห็นมันหยุดนิ่งแค่รู้สึกรู้สึกไป เล่นอยู่วันเดียวสองวันเองนะอีกวันหนึ่งเดินอยู่ริมถนนเห็นเพื่อนเดินอยู่ตรงข้ามฝั่งตรงข้ามนะเพื่อนคนนี้ไม่เจอนานละมันดีใจไม่ทันดูว่าดีใจนะนี่ลืมตัวเลยเห็นเพื่อนซึ่งแหม่ไม่เจอขน า, านก้าวขาไปนะั่นจะข้ามถนนะขเท้าเคลื่อนปัาบเนี่ยแม้ร่างกายเคลื่อนไหวเราเคยฝึกเคลื่อนไหวรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกพอเท้าเราเคลื่อนไหวนะมันรู้สึกตัวขึ้นมาเองรู้ว่าเมื่อกี้หลงอยู่ใจก็ตื่นขึ้นมาเลย ถ้าเราหัดรู้สภาวะไปบ่อยๆนะหัดรู้สภาวะเรื่อยๆจนจิตจำสภาวะแม่นแล้วสติจะเกิดขึ้นเองนี่เราได้เครื่องมือตัวที่หนึ่งคือสติสติทำหน้าที่ระลึกรู้สิ่งใดเกิดขึ้นในกายคอยรู้สิ่งใดเกิดขึ้นที่จิตใจคอยรู้เครื่องมือตัวที่2เรียกว่าสัมมาสมาธิสมาธินี่เป็นตัวที่อาพัพที่สุดใครๆก็ชอบดูถูกนะบางคนบอกไม่ทาสมาธิ จะทำแต่วิปัสสนาไม่เอาเลยเรื่องสมาธินั่นเข้าใจผิดสมาธิจำเป็นแต่สมาธิกับสมาธาก็ไม่ใช่เรื่องเดียวกันล้วนๆสมาธิคืออะไรสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตจิตของพวกเราไม่ตั้งมั่นจริงหรอกจิตของเราแฉลบซ้ายแฉลบขวาอยู่ตลอดเวลาถ้าตั้งก็ตั้งด้วยการบังคับเอาไว้นะไม่ใช่ตั้งด้วยความรู้ด้วยความตื่นด้วยความเบิกบานถ้าตั้งก็ตั้งแบบแข็งๆเคียดนะเครียด งั้นเวลาหัดภาวนานะบางคนบอกไม่เอาสมาธิจะเดินจงกรมเลยจะดูกายเลยปรากฏว่าดูด้วยจิตที่ไม่มีสมาธิพอเนี่ยจิตมันจะถลําไปเช่นไปดูเดินจงกรมนะจิตลงไปอยู่ที่เท้าจิตถลําลงไปอยู่ที่เท้าไปดูท้องจิตไหลไปอยู่ที่ท้องไปรู้ลมหายใจจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจไปขยับมือจิตไหลไปอยู่ที่มือนะจะไปดูจิตก็ไปเพ่งความว่างจิตไหลไปไหนความว่างนี่จิตไม่ตั้งมั่นจริง งั้นบางคนบอกว่าไม่สนใจเรื่องสมาธินะใช้ไม่ได้นะเราต้องพัฒนาจิตของเราจนกระทั่งมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้ได้เวลารู้อารมณ์มันถึงจะสักว่ารู้สักว่าเห็นได้พวกเราที่ชอบเข้าวัดชอบฟังธรรมะเคยได้ยินคําว่าสักว่าสักว่าใช่ไหมเราก็สักว่าพูดนั่นแหละว่าสักว่ารู้ว่าเห็นจริงๆไม่สักว่าหรอกใจของเราเนี่ยจะไหลตลอดเวลาเลย ใจเราไหลไปดูบ้างไหลไปฟังบ้างไหลไปคิดบ้างใจเราไม่เคยตั้งมั่นจริงนะอย่างดูหน้าหลวงพ่ออา้าช่วยกันดูหน่อยลองดูนะดูดูรู้สึกไหมถ้าตั้งใจดูปุ๊บใจวิ่งมาอยู่ที่หลวงพ่อนะเวลาตั้งใจฟังรู้สึกไหมตั้งใจฟังจดจ่อกับการฟังฟังนิดเดียวใจไหลไปคิดนะและจิตของเราเนี้ยจะไหลไปไหลมาตลอดเวลาจิตไม่ตั้งมั่นจริงหรอกถ้าจิตไม่ตั้งมั่นนะปัญญาจะไม่เกิด จิตจะต้องสามารถพัฒนาขึ้นมาจนมันสามารถตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูได้จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอย่างเช่นร่างกายเราหายใจเข้าหายใจออกเห็นร่างกายมันหายใจนะจิตเป็นแค่คนดูเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนดูเห็นจิตใจเป็นสุขเป็นทุกข์จิตใจเฉยเฉยจิตเป็นคนดูเห็นความโลภความโกรธเกิดขึ้นจิตเก็เป็นคนดูมีจิตที่เป็นคนดูอยู่จิตที่ไม่ไหลตามอารมณ์ไปจิตที่แยกตัวออกมาเป็นคนดู แต่ก่อนนี้ครูบาอาจารย์ท่านก็ชอบสอนนะว่าเวลาเราทํากรรมฐานเนี่ยทำเหมือนคนดูละครนะสมัยท่านเป็นเรื่องดูละครถ้าสมัยนี้เหมือนคนดูดูหนังดูฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างเราดูฟุตบอลเนี่ยเห็นไหมเรานั่งบนอัธจรรันทร์ใช่ไหมนักฟุตบอลวิ่งอยู่ในสนามเราไม่วิ่งลงไปในสนามด้วยเราดูอยู่ห่างๆเวลาที่จิตตั้งมั่นมีสมาธิขึ้นมาเนี่ยแล้วมันเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นจิตใจเคลื่อนไหว มันจะเหมือนกับเรานั่งอยู่บนอัศจรรย์แล้ว เ, เห็นนักฟุตบอลวิ่งไปวิ่งมาตัวที่เป็นนักฟุตบอลก็คือกลยกับใจนั่นเองมันวิ่งไปวิ่งมามันทํางานของมันทั้งวันทั้งคืนนะไม่เคยหยุดนิ่งเลยแต่ใจนั้นเป็นผู้รู้ขึ้นมาใจเป็นผู้แยกออกมารู้นะอยู่ต่างหากเราค่อยๆสังเกตทํำยังไงใจของเราจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ขึ้นมาได้วิธีการนั้นทําได้2 อ, อย่างอย่างที่1ทํางทำชนันะคนรุ่นเรานี้ทําชาญยากแล้วเพราะพวกเราเนี่ยประกอบอาชีพด้วยการคิดคิดมาก พอคิดมากนะจิตไม่ค่อยสงบอะ่ะสงบยากอย่างพวกเราพอกลับบ้านใช่ไหมถ้าขื่นไม่นั่งสมาธิแป๊บเดียวก็หลับนะนั่งหลับเคลิม้มงอแงง อ, ง อ, ง อ, งอแงเราเรียกว่าฌานไม่ฌานจริงนะอย่างนั้นฌานบ้านฌานเรือนนะนะไม่ใช่ไม่ใช่เข้าฌานจริงอนะ่นะมีอีกวิธีหนึ่งนะแต่ว่าสมาธิที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นสมาธิชั่วขณะเรียกว่าคณิกะสมาธิสมาธินั่นจะไม่แนบแน่นเท่าคนที่เข้าทําฌานเต็มรูปแบบ สมาธิแบบชั่วขณะเนี่ยจะเกิดขึ้นได้โดยที่เรามีสติรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นถ้าจิตเราไหลไปคิดเรารู้ทันนะจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาชั่วขณะหนึ่งแวบหนึ่งจิตไหลไปฟังเรารู้ทันจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นชั่วขณะหนึ่งจิตไหลไปดูเกิดรู้ว่าหลงไปดูแล้วจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นชั่วขณะหนึ่งเป็นขณะขณะขณะไปเท่านั้นนะไม่ตั้งนานพวกเราสังเกตดูใจเราไม่ตั้งมั่นดูออกไหม ใจเราไม่ตั้งมั่นเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังเดี๋ยวก็วิ่งไปคิดใจเราวิ่งไปวิ่งมาได้คล้ายๆแมงมุมตัวหนึ่งนะวิ่งไปใหญ่วิ่งไปทางด้านหน้าวิ่งไปทางด้านหลังวิ่งไปข้างซ้ายวิ่งไปข้างขวาวิ่งไปวิ่งมาตลอดเวลาจิตนะเหมือนแมงมุมนะวิ่งไปวิ่งมาตลอดเวลาอันนี้เป็นภาพลวงตาหรอกนะในเบื้องต้นจะเห็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าภาวนามากๆจะเห็นว่าจิตเกิดดับจิตไม่ได้วิ่งไปวิ่งมาหรอกจิตเกิดที่ตาแล้วก็ดับเกิดที่หูแล้วก็ดับเกิดที่ใจแล้วก็ดับ แต่ตอนแรกๆเรายังรู้สึกว่าวิ่งไปวิ่งมาเพราะสันตติยังไม่ขาดนะภาวนายังไม่พอเราอย่างเห็นว่าจิตมันคงที่มีตัวเดียวแต่วิ่งได้นะแต่ถ้าภาวนาไปถึงจุดหนึ่งสันติคือความต่อเนื่องขาดเราจะรู้ว่าจิตที่ดูก็เป็นดวงหนึ่งนะจิตที่ฟังก็ดวงหนึ่งจิตที่คิดก็อีกดวงนะจิตที่คิดดีก็ดวงหนึ่งจิตที่คิดร้ายก็ดวงหนึ่งนะจิตที่สุขจิตที่ทุกข์จิตที่โลบจิตที่โกรธจิตที่หลงเป็นคนละดวงคนละดวงกันนะ เป็นคนะดวงเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นไม่เป็นไรนะแค่เห็นว่าจิตไม่คงที่วิ่งไปวิ่งมาเห็นแค่นี้ก่อนถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันว่าจิตไหลไปจิตหลงไปนะมันจะตั้งมั่นขึ้นเองแต่ตรงนี้มีจุดอ่อนพอเรารู้ว่าจิตไหลไปเราชอบไปดึงคืนเช่นรู้ว่าจิตเผลอไปเราไปดึงคืนมาถ้าดึงคืนมานะจิตจะแน่นจิตจะเครียดเครียดหนักหนักแน่นๆถ้าเมื่อไหร่จิตเครียดจิตหนักจิตแน่นจิตเป็นอกุศลแล้วจิตเป็นจิตที่ใช้ไม่ได้นะ จิตที่เป็นกุศลมันจะรู้ตื่นเ บ, บิกบานสงบสะอาดสว่างมันจะมีความเบามีความอ่อนโยนมีความนุ่มนวลมีความคล่องแคล่วว่องไวมีความซื่อตรงในการรู้อารมณ์ไม่ถูกกิเลสไม่ถูกนิวรณ์ครอบงับในะจิต ท, ที่หนักๆแน่นๆนี่มันถูกกิเลสครอบอยู่นะถูกอะไรครอบถูกความอยากครอบอยากดีนะจิตหลงไปแล้วดึงคืนมานะก็อยากให้จิตอยู่กับตัวเนะี่ยแล้วเราค่อยๆสังเกตจิตมันวิ่งไปวิ่งมาตลอดเวลา ถ้าเรารู้ทานจิตที่หลงไปนะจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาแต่ว่าห้ามไปดึงแหวกนะให้มันตั้งเองนะตั้งก็ตั้งไม่ตั้งก็ช่างมันฝึกดูไปเรื่อยแล้ววันหนึ่งมันจะตั้งขึ้นมาพอจิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาเป็นคนรู้คนดูไดนะ้พอสติระลึกเห็นร่างกายปั๊บนะจิตตั้งมั่นอยู่อย่างเงี้ยจะเห็นทันทีเลยร่างกายที่กําลังเคลื่อนไหวอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีเลยนะฟังดูเหลือเหมือนยากแม้ปฏิบตัติตั้งมากมาย ต้องหัดรู้สภาวะเพื่อให้เกิดสติรู้ทันความไม่ตั้งมั่นจวนจิตตั้งมั่นจงกระทั่งสติะระลึกรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางแล้วก็เกิดปัญญาเห็นว่าไม่ใช่เราฟังแล้วเป็นกระบวนการที่ยาวมากเลยแต่จริงๆแล้วคนที่เรียนกับหลวงพ่อช่วงหลังๆนะั้นเดือนเดียวเท่านั้นก็เห็นแล้วไม่ใช่เรื่องยากกว่าที่มนุษย์ธรรมดาจะทําได้เลยจำหลักให้แม่นๆนะรู้เลยว่าอะไรทําให้เกิดสติอะไรทําให้จิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นอยู่นะ เรากรู้ทันเท่านั้นเองมก็ตั้งมั่นล่ะถ้าฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปนะเราจะเห็นในร่างกายที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในสติระลึกรู้นะร่างกายเคลื่อนไหวสติเป็นคนรู้ระหว่างรู้นั้นจิตตั้งมั่นมันจะเห็นร่างกายอยู่ห่างๆร่างกายกับจิตแยกออกจากกันนะจะเห็นร่างกายอยู่ห่างๆเห็นร่างกายมันเดินร่างกายมันยืนร่างกายมันนั่งร่างกายมันนอนร่างกายหายใจออกหายใจเข้าจิตเป็นคนดูอยู่ห่างๆ พอเวทนาความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยๆเกิดขึ้นก็จะเห็นว่าเวทนาอยู่ห่างๆอีกจิตมันแยกออกมาอยู่ต่างหๆพอเวลาเกิดกูศนอกูศนเช่นความโลบความโกรธความหลงเกิดขึ้นก็จะเห็นว่าจิตก็อยู่ห่างๆมันจะแยกออกมาค่อยๆฝึกไปนะเราจะเห็นเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาให้จิตรู้เนี่ยไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสิ่งที่แปลปลอมเข้ามาชั่วครั้งชั่วคราวเหมือนอย่างคนเราอยู่บนตึกนะมองลงไปที่ถนน เห็นคนเดินผ <Yeah. S 3> well, ่านถนนหรือขับรถผ่านที่ถนนเนี่ยเราจะไม่รู้สึกว่าคนที่อยู่นอกถนนนั้นเป็นตัวเราเราไม่รู้สึกว่ารถยนต์เป็นตัวเราเป็นแค่สิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนี้เราหัดไปบ่อยๆนะต่อไปปัญญามันจะเกิดเช่นความสุขเกิดขึ้นนะเรามีสติรู้ทันใจเราตั้งมั่นเป็นแค่คนดูเราเห็นว่าความสุขมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปพอความทุกข์เกิดขึ้นนะสติระลึกรู้ว่าความทุกข์กาลังเกิดขึ้น ใจิตใจเราตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูอยู่เห็นความทุกข์เหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านเราก็จะรู้อีกว่าความทุกข์ผ่านมาเราก็ผ่านไปกูศอกูสลนะโลภโกรธหลงอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีแต่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนี่แหละเราถึงขั้นที่เราจเจริญวิปัสสนาจริงๆแล้วเราเห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาเห็นซ้าแล้วซ้าอีกซ้าแล้วซ้ำอีกในร่างกายนี้เห็นไหมหายใจออกแล้วก็ดับไปเกิดร่างกายที่หายใจเข้า หายใจเข้าแล้วก็ดับไปเกิดร่างกายที่หายใจออกนมีร่างกายที่ยืนแล้วก็หายไปเป็นร่างกายที่เดินร่างกายที่เดินหายไปเป็นร่างกายที่ยืนร่างกายที่ยืนหายไปเป็นร่างกายที่นั่งร่างกายที่นั่งหายไปเป็นร่างกายที่นอนนะเปลี่ยนไปเรื่อยเรอยมีไหมร่างกายที่เดินแล้วก็เปลี่ยนเป็นร่างกายที่นอนมีไหมมีเหมือนกันใช่หหกล้มเยคลมลงไปที่พื้นเลยนะนี่เราจะเห็นไปเรื่อยๆนะไม่มีตัวเรา นะร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่เราจิตใจที่เคลื่อนไหวอยู่นะทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วไม่ใช่เราเห็นซ้ําแล้ว <immature S 1> <izz ane S 2> เห็นซ้ําอีกซนะ้ําไปเรื่อยๆนะ7วัน7เดือน7ปีดูไปเรื่อยตามรู้ตามดูไปอย่างสบายๆถึงวันหนึ่งถึงวันหนึ่งนะเมื่อไหร่ไม่ทราบ uh, แต่ละคนไม่เท่ากันบางคนก็เร็วบางคนก็ช้าแนละ้วแต่ว่าอิานทรีย์แก่อ่อนกว่ากันไม่เท่ากันถ้าอินทรีย์แก่กล้านั้นใช้เวลาไม่นานจิตก็ยอมรับความจริง ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาเห็นไหมเพราะว่ามันเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกความสุขเกิดแล้วก็ดับความทุกข์เกิดแล้วดับกุศลเกิดแล้วดับโลภ โ, โ, ลโลกรธหลงเกิดแล้วดับเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่อย่างนี้บ่อยๆนะถึงวันหนึ่งปัญญามันยอมรับจิตมันยอมรับความจริงแล้วมันเกิดปัญญา ย, ายอมรับความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาวันที่ยอมรับความจริงนั่นแหละเป็นพระโสดาบันละ พระโสะดาบันคือท่านผู้เห็นความจริงท่านผู้ยอมรับความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดานะจิตจะยอมรับความจริงได้ต้องเห็นความจริงบ่อยๆนะวิธีเห็นความจริงบ่อยๆก็คืออะไรเกิดขึ้นในกายคอยรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในจิตใจคอยรู้สึกแต่รู้สึกแบบคนวงนอกไม่ไปรู้สึกแบบคลุกวงในนะดูอย่างสบายๆเห็นร่างกายนี้เคลื่อนไหวไ ป, ไปเหมือนเห็นคนอื่นเคลื่อนไหวเห็นจิตใจนี้มันทํางานไปเหมือนเห็นคนอื่น เช่นจิตมันโกรธนะมันเห็นเหมือนคนอื่นโกรธจิตมันโลภเหมือนเห็นคนอื่นโลภนะไม่ใช่เราโลภหรอกแล้วคอยดูไปด้วยไม่มีเราถนะอนความรู้สึกเป็นเราออกมาแล้วเห็นแต่สภาวะมันทํางานไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งจิตก็ยอมรับความจริงว่าตัวเราไม่มีหรอกคนใด ท, ที่ยอมรับความจริงได้ว่าตัวเราไม่มีก็เป็นพระโสดาบันอย่านึกนะว่าพระโสดาบันคือนั่งสมาธิไปเรื่อยๆแล้ววูบวูบวูบนะตื่นขึ้นมาแล้วเป็นพระโสดาบันไม่เป็นหรอกนะ จะเป็นพระโสดา บ, บันได้ต้องมีสตินะมีสมาธิจนกระทั่งเกิดปัญญาขึ้นมาปัญญาคือการเห็นความจริงของกายของใจว่าเป็นไตรลักษณนะ์เห็นกายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาให้เห็นเลยมันเป็นไตรลักษณ์เนี่ยล้วนแต่เกิดแล้วดับนะเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปไม่ยากหรอกนะตอนหลวงพ่อไปหาหลวงปู่ดุลครั้งแรกไปกราบท่านบอกหลวงปู่ผมอยากปฏิบัติ หลวงปู่ไม่สอนนะตอนนั้นหลวงปู่นั่งหลับตาไปเกือบชั่วโมงเนี่ยเราก็นึกนะั่งโอ้หลวงปู่อายุทั้งเก้าสิบห้าแล้วสงสัยเพิ่งชั้นเข้ามาอิม่มๆนะหลับไปแล้วนะหลวงปู่หลับไปแล้วเราถามว่าผมอยากภาวนานะท่านหลับไปเลยเราก็อาอรอเมื่อไหร่หลวงปู่จะตื่นวะรอไปนานเลยนะรอรอเพอท่านตื่นลืมตาขึ้นมาไม่ใช่ท่านตื่นแนละท่านตื่นอยู่แล้วท่านไม่ได้หลับหรอกท่านคงสอบประวัติแล้ว เราลืมตาขึ้นมาท่านก็สอนเลยบอกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองการปฏิบัติไม่ยากนะทําหน้าที่แค่อ่านไปทําตัวเป็นแค่นักอ่านนักอ่านกับนักประพันธ์ไม่เหมือนกันใช่ไหมนักอ่านกับนักวิจารณ์ไม่เหมือนกันใช่ไหมนักอ่านกับผู้กํากับเวทีไม่เหมือนกันใช่ไหมเราทำตัวเป็นแค่นักอ่านนะ มีอะไรเกิดขึ้นในกายเราคอยรู้มีอะไรเกิดขึ้นในใจเราคอยรู้เช่นใจเราโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธเราทำตัวเป็นนักอ่านที่ดีตอนนี้จิตเล่นบทโกรธนะแสดงละครเรื่องโกรธให้ดูเราก็รู้ทันว่าจิตมันโกรธนะตอนนี้จิตมันโลภขึ้นมาจิตมันหลงขึ้นมานะเราตามรู้มันไปเรื่อยๆดูมันทํางานไปนะไม่เข้าไปแทรกแซงนะแค่ดูมันทํางานไปเรื่อยๆใช้เวลาไม่นานนะเราจะเข้าใจความจริงเลยว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไป ก็จิตที่สุขจิตที่ทุกข์จิตที่ดีจิตที่ร้ายเกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นหรอกไม่มีหรอกที่เกิดแล้วไม่ดับอยู่ที่ว่าเราอดทนพอไหมไม่ยากนะแต่ต้องอดทนไม่ใช่ว่าวันนี้ดูแล้วเว้นไป3วันกลับมาดูอีกนะหรือวันนี้มาฟังหลวงพ่อแล้วเดี๋ยวรออายุ50จะปฏิบัติโหห้าสพลืมไปละบางคนอะ่ะนะบางคนไม่มีโอกาสถึงห้าสิบนปะีงั้นลงมือตั้งแต่วันนี้นะมีสติรู้สึกกายมีสติรู้สึกใจรู้สึกไปเรื่อยๆรู้สึกอย่างที่เขาเป็นไปเรื่อยๆ จิตใจของเรานั้นแสดงความไม่เที่ยงอยู่ตลอดเวลาแสดงการทนอยู่ไม่ได้ในภาวะอันใดหนึ่งตลอดเวลาแสดงการบังคับไม่ได้แม้จิตจะสุขสั่งได้ไหมจิตจะทุกข์ห้ามได้ไหมจิตจะดีสั่งให้มันดีได้ไหมจิตจะชั่วห้ามมันไหวไหมห้ามมันไม่ได้นะบังคับมันไม่ได้ดูของจริงลงไปวันใดใจยอมรับความจริงเรื่องจิตมีดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมไม่ใช่แปลว่าบังคับมันสาเร็จนะ อย่าไป น, นึกนะว่าพระอรหันต์คือคนที่บังคับร่างกายจิตใจสําเร็จแล้วท่านไม่ได้บังคับมันหรอกท่านเห็นความจริงของมันแล้วท่านปล่อยวางไม่ยึดถือมันมันเป็นอย่างที่มันต้องเป็นนั่นแหละแล้วท่านไม่ได้ยึดถือท่านก็ไม่ทุกข์ส่วนกายกับขันห้าอะไรมันก็ทุกข์ตามเรื่องของขันห้าไปนะยากไปไหมไม่ยากนะไม่ยากบางคนรู้สึกยากหลวงพ่อพูดอะไรว่าฟังยากนะอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาคนที่ไม่เคยฟังนะจะรู้สึกยากยาก แต่ถ้าอดทนนะไปฟังซีดีไปอะไรสักพักเดียวแล้วก็ค่อยๆสังเกตสภาวะที่เกิดในกายในใจสังเกตไปเรื่อยๆค่อยรู้คยดูไปเรื่อยใช้เวลาไม่นานนะเรียนกับหลวงพ่อใช้เวลาไม่นานจิตจะตื่นใึ้มาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเห็นกายทำงานเห็นจิตทำงานได้ไม่ยากหรอกแต่จะเห็นอย่างแท้จริงนะจนถึงขนาดยอมรับได้เลยว่าไม่มีตัวเราอันนี้ชักยากแลนะ้มีเหลือน้อยแล้ว แต่ก็มีคนทําได้เรื่อยๆนะมีทยอยทยอยทำได้เรื่อยๆเริ่มเห็นแล้วไม่มีเราอะ่ะนะค่อยๆฝึกเอามันยากเพราะว่าเราไม่รู้หลักถ้ารู้หลักแล้วไม่ยากเท่าไรหร่หรอกมีสติรู้กายรู้ใจด้วยจิต ท, ที่ตั้งมั่นเป็นกลางรู้ไปเรื่อยๆเห็นกายทํางานเห็นจิต ท, ทํางานดูไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งจิตก็ยอมรับความจริงจิตน่นเป็นของดือ้อยอมรับความจริงยากนะยอมรับว่าตัวเราไม่มีเนี่ยยอมยากที่สุดเลยเพราะมันรักตัวเอง ดั aren, ต้องเอาของจริงมาให้ดูเอาร่างกายมาให้ดูเอาจิตใจมาให้ดูดูซีไกลเป็นตัวเราจริงไหมสั่งมัน it, it, enfin, well ได้จริงไหมร่างกายนะสั่งมันให้มีแต่ความสุขได้ไหมสั่งไม่ให้เมื่อยได้ไหมสั่งอะไรมันไม่ได้นะจิตใจก็สั่งให้ดีตลอดไม่ได้สั่งให้สุขตลอดไม่ได้มีแต่ความเคลื่อนไหวมีแต่ความเปลี่ยนแปลงนี่ดูของจริงไปในสุดของจริงนี่แหละมันจะยันจนกระทั่งจิตยอมรับความจริงคนไหนดื้อก็ยอมรับช้าหน่อยดูนานหน่อยคนไหนจิตมันไม่ดื้อนะ ก็ยอมรับเร็วหน่อยก็ได้ธรรมะเร็วหน่อยแต่ละคนไม่เท่ากันหรอกแต่ต้องอดทนในการตามรู้ตามดูไปบ่อยๆนะเอาวันนี้หลวงพ่อเทศเท่านี้พอนะเดี๋ยวจะได้รีบกลับไปทำงานใครจะถามอะไรได้ไม่กี่คนหรอกมั้งใครจะเป็นคนเลือกลนะ่ะมือเยอะเหลือเกินะอ่า <c oughs> uh ทำอย่างไรดีคะเนื่องจากว่าคนยกมือเยอะเหลือเกินนะคะคุณสมชายจะให้ทําอย่างไรครับก็จะมีไม้โยขออนุญาตซักซักซักสามสี่ท่านสามสี่ท่านนะคะอ่ะด้านหน้าด้านหน้านะคะครับขอส่งไม้ด้วยนะครับค่ะกับเรียนหลวงพ่อถามหลวงพ่อว่ากรรมฐานที่เหมาะกับตัวหนูคืออะไรคะเราชอบทําความสงบนะทําสมาธิอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้อย่าให้ใจมันนิ่ง ของคุณเนี่ยกรรมฐานที่เหมาะคือการที่คอยรู้กายไว้เรื่อยๆร่างกายยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกเรื่อยๆแต่ของคุณมันสบายอยู่อย่างนะมันขี้โมโหมันดูง่ายเพราะฉะนั้นเวลาความโมโหเกิดขึ้นนะรู้ทันมันไปเลยแต่หลวงพ่อบอกว่าคนที่คิดมากๆให้ดูจิตไม่ใช่หรอคะใช่แต่ว่าคนที่เพ่งมากๆนะเบื้องต้นควรจะไปดูกายไว้ก่อนจนกระทั่งเลิกเพ่งนะแล้วก็มาดูจิต ถ้าเป็นนักเพ่งอาชีพนะพอมาดูจิตนี่ไปเพ่งจิตแล้วมันจะนิ่งไม่มีอะไรให้ดูดูไปดูไปเพ่งมากๆากก็โมโหซะอีกจะขออนุญาตอย่างนี้นะคะอเราอยากจะขอคําถามที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่าที่จะถามเฉพาะตนน่นนะคะนะคะจะขออนุญาตเป็นแบบนี้ค่ะขอคำถามสุดท้ายค่ะขออนุญาตแค่หนึ่งคำถามนะคะคุณพี่คะหลวงพ่อคะให้คุณแม่มีดวงตาเห็นธรรมทายังไงดีคะ ก็ต้องให้แม่ปฏิบัติสิถึงจะมีดวงตาเห็นธรรมไม่ปฏิบัติจะไปมีได้ไงล่ะนะพวกเราแต่ละคนก็มีดวงตานะแต่ดวงตาของเราเห็นอาธรรมเราอยากได้อาธรรมนะเราไม่ได้อยากได้ธรรมะหรอกใครยอมอยากให้ชีวิตไม่เที่ยงโดยข้อคําถามเดียวก็จอดแล้วเห็นไหมอยากให้มีความสุขถาวรใช่ไหอไม่ได้อยากให้ไม่ใช่ยอมรับว่ามันทุกข์นะ อยากให้มันสุกสุกเฉยๆก็ไม่เอาต้องเอาสุกถาวรด้วยเราอยากได้สิ่งที่ไม่ใช่ธรรมะต่างหาเราถึงไม่ได้ธรรมะสักทีถ้าเมื่อไรใจเรายอมรับธรรมะเรารักธรรมะจริงๆนะเรารู้ลงในกายในใจเห็นแต่ความไม่เที่ยงเห็นแต่มันมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ทั้งกายทั้งใจใจนี้มีอะไรบีบคั้นนะมีตัณหาบีบคั้นมีความอยากบีบคั้นตลอดร่างกายนั้นถูกเวทนาบีบคั้นอยู่ตลอดเวลานะมันทนอยู่ไม่ได้หรอก ันจริงๆแล้วการที่จะมีดวงตาเห็นธรรมนั้นไม่ได้ยากหรอกเพียงแต่พวกเราชอบอาธรรมมากกว่าธรรมะเราอยากได้ความสุขที่เที่ยงความสุขที่ถาวรอยากได้ทรัพสมบัติที่ไม่หายไปไหนเลยอะไรเงี้ยเราอยากได้ของที่ไม่มีในโลกเป็นไงหลวงพ่อตอบคำถามเพื่อส่วนรวมเรียบร้อยละ <c oughs> หมดคำถามเลยรับรอง <c oughs> คือคือเนื่องจากว่าจํานวนคนเยอะนะคะ <Yeah. S 1> เราอยากจะให้เกิดความยุติธรรมแล้วก็เกิดความทั่วถึงถ้าเกิดว่าท่านท่านเดียวแต่ว่าถามคำถามเยอะจนเกินไป <Yeah. S 1> นะะก็จะทาให้ท่านอื่นหมดสิทธิ์เนื่องจากว่าเวลามันก็จะหมดไปนั่นคือประเด็นนะค ะ, ะมีท่านใดอยากจะถามอีกไหมคะเชิญค่ะขอเสียงดังนะคะเนื่องจากไมไปไม่ถึงเอานนะออเคมาอยู่ตรงนั้นแล้วนะคะ1คําถามนะคะข อ, อะถาม คำถามหนึ่งเพื่อส่วนรวมนะคะแต่ขออีกถามแค่อีกคำ<อ>ถามเดียว<ะ>เพื่อส่วนตัวค่ะก็คือคำถามเพื่อส่วนรวมของหนูก่อนนะคะคือว่าถ้านั่งสมาธิอะค่ะก็คือถ้าเกิดแบบท่องท่องคถาบทหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วก็ปัดรูปประคำไปหนึ่งเม็ดแต่เรารู้ตัวว่าปัดเนี่ยที่ทําอยู่อย่างเงี้ยถือว่าก็ได้สมถะเราไม่มีสติเลยเหรอคะมีสติแต่ไม่ใช่สติที่จะใช้เจริญปัญญา อ๋อก็คือว่าตอนนั้นก็คือได้แค่สมถะได้สมถะนะมีสตินะไม่ใช่ไม่มีสติเคล็ดลับของการทําสมถะอันนี้สอนรวมๆเลยนะเพื่อประโยชน์ส่วนรวมคุณสมชายคะขอยึดใหม่เลยนะคะคือขออนุญาตแค่คําถามเดียวค่ะเคล็ดลับของการทําสมถะนะคือการที่เราเนี่ยมีสติไปรู้อารมณ์อันใดอันหนึ่งที่จิตรู้แล้วสบายใจต้องเป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลนะเรารู้แล้วสบายใจ พอเราไปรู้อารมณ์ที่สบายเช่นบางคนรู้พุทโธแล้วสบายใจบางคนรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วสบายใจรู้อารมณ์ที่สบายใจจิตที่ไม่ฟุง้งซ่านไปที่อื่นจิตที่จะสงบความสุขนั่นแหละเป็นเหตุใกล้ให้เกิดความสงบงั้นเราต้องรู้หลักนะอย่างบางคนนีไม่ชอบพุทโธเลยแล้วไปพุทโธพุทโธนั่งเครียดอ น, นี้จิตยังไงก็ไม่สงบบางคนชอบหายใจหายใจไปแล้วจิตใจมีความสุขนะพอจิตใจมีความสุขจิตก็สงบ จิตของเราแต่ละคนนะเหมือนเด็กซุกสนจิตเราวิ่งไปวิ่งมาตลอดเวลาทำยังไงเด็กจะไม่สนเราก็หาอารมณ์ที่ดีมาล่อดเด็กเช่นหาไอติมมาให้เด็กมามากินไอติมเข้าบ้านมาแล้วมากินไอติมเด็กก็วิ่งมากินไอติมอยู่ในบ้านเด็กไม่ออกไปสนข้างนอกนเด็กเพลิดเพลินในอารมณ์ที่มีความสุขไม่หนีสนไปเพนั้นเวลาที่เราจะทำสมถะนะเราเลือกอารมณ์ที่อยู่แล้วมีความสุขอย่างหลวงพ่อเนี่ย หัดมาแต่เด็กๆเลยหัดหายใจตั้งแต่เจ็ขวบนะักเรียนกับท่านพอลีท่านสอนให้หายใจแล้วก็หายใจแล้วก็มีความสุขจิตใจมก็สงบไม่หนีไปที่อื่นหรอกจิตใจมัชอบลมหายใจได้สมถะนะเพราะฉะนั้นสมถะเนี่ยเราต้องเลือกอารมณ์ที่อยู่แล้วมีความสุขสมถะไม่ได้เกิดจากการบังคับจิตให้สงบแต่จิตมันสมัครใจที่จะสงบเองนะไม่ได้ตั้งใจเดี๋ยวคาถามเพื่อส่วนรวมคําถามที่2ทําำยังไงจะเป็นวิปัสสนา <c oughs> ขอบคุณหลวงพ่อค่ะ <c oughs> ที่เห็นชอบนะคะเชิญคุณพี่เสื้อขาวค่ะยืนขึ้นแล้วพูดดังๆนะคะเนื่องจากไม่อาจจะไปไม่ถึงค่ะต่างกันนะปัญญาจากการฟังปัญญาจากการคิดจริงๆเป็นปัญญาจากการคิดด้วยกันอนะอย่างเวลาที่เราฟังสังเกตไมมเราฟังแล้วเราก็ต้องคิดสลับกันไป ฟังไปคิดไปนะแล้วเราก็นึกว่าใช่แล้วอย่างเนี้ยเราเชื่อเอาเองความจริงคิดขึ้นมาเองสิ่งที่เราคิดขึ้นมาเองเนี้ยอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้สิ่งที่เราเรียนจากอาจารย์เนี้ยอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้แต่การภาวนาเนี้ยทำให้เราเข้าไปดูว่าความจริงกายเป็นยังไงความจริงจิตเป็นยังไงเข้าไปเผชิญหน้ากับความจริงไม่ใช่คิดเอาเองอย่างสมมติว่าเราคิดเอาเองว่าตรงนี้ผีดุอะไรนี้คิดเอาเองผีอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ Well, REY, dominate, escrito, palabra, เราก็ไปเผชิญความจริงนะตรงนี้เขาว่าผีดุเราก็เข้าไปอยู่ตรงนี้ดูดูว่าดุไม่ดุนะเนี่ยเข้าไปพิสูจน์ดูงั้นปัญญาที่เกิดจากการภาวนาเนี่ยเป็นปัญญาที่เราไปเผชิญหน้ากับปรากฏการณ์นั้นด้วยตัวเราเองนะส่วนปัญญาจากการอ่านจากการฟังเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เป็นประสบการณ์ของคนอื่นปัญญาที่เกิดจากการคิดนี่เมฆขึ้นเองนะเชื่อถือยังไม่ค่อยได้ไม่เหมือนปัญญาจากการภาวนาเป็นปัญญาจากประสบการณ์ตรง คนที่มีประสบการณ์ตรงมีมีคุณค่ามากนะอย่างบางคนเนี่ยเรียนตำราค้าขายมาสู้ท่านพวกเกเรวัดนอะไรนี้ไม่ได้ไหมนี่ท่านประสบการณ์ตรงเขท่านมีอ่ะเนี่ยเพราะงั้นการภาวนานะให้ประสบการณ์ตรงซึ่งอัศจรรย์จริงๆเลยล้างกิเลสได้จริงๆอย่างพวกเด็กใช่ไหมเรียนดอกต้ดอกเตอร์นะให้มาค้าขายทําไม่เป็นรู้หมดเลยนะวิธีค้าขายทํำยังไงรู้หมดเลยแต่ทําไม่ได้ ค่ะขออนุญาตพี่ที่ยืนนะคะเชิญค่ะเสียงดังๆนะคะออพอดีเมื่อเช้าเนี้ยค่ะดูได้อ่านดูจิตปีแรกของของหลวงพ่อนะคะแล้วก็พูดถึงการเห็นรูปนะคะ ว่าเห็นเหมือนกับภาพการ์ตูนนะคะทีนี้ตอนหนูเคยเห็นเห็นเห็นรูปเห็นกายไม่ใช่ตัวเราอ่ะครั้งครั้งนึงนะคะหลวงพ่อแต่แต่ไม่ได้เห็นแบบลักษณะที่ที่หลวงพ่ออธิบายไม่เป็นไรเห็นยังไงก็ได้เห็นว่ามันไม่ใช่เราก็ใช้ได้แล้วแล้วที่เป็นการ์ตูนนี่คือเขาจะเป็นแบบเกิดดับแล้วเป็นอันนั้นสติเราต้องเร็วพอนะแล้วจิตตั้งมั่นเราจะเห็นรูปเกิดดับค่ะอย่างหลวงพ่อจะหยิบนาฬิกาเนี่ยจะเห็นรูปมันเกิดดับปั๊บๆัปั๊บปั๊เหมือนรูปการ์ตูนเลยค่ะ เห็นเกิดดับอ๋อแล้วแล้วจิตกับเจตสิกนี่ต่างกันอย่างไรคะจิตจิตกับเจตสิกได้จิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์เจตสิกเป็นตัวที่มาประกอบกับจิตให้ยกตัวอย่างนะจิตเหมือนกับน้ําที่บริสุทธิ์เนี่ยน้ําบริสุทธิ์ไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสใช่ไหมแต่เป็นน้ําเขียวน้ําแดงเนี่ยเพราะมีสิ่งที่มาเติมลงไปมีน้ําเหม็นน้าหอมก็เพราะมีสิ่งที่มาเติมลงไปสิ่งที่มาเติมลงในจิตนั่นแหละเรียกว่าเจตสิกเช่นความโกรธ จิตโดยตัวเขาเองไม่มีความโกรธเพราะจิตเป็นธรรมชาติรู้ทำไมจิตมีความโกรธขึ้นมาได้เพราะว่ามันมีความโกรธมาเติมลงไปในจิตแต่ถ้าเรามีสติดีๆนั้นะเราจะเห็นเลยความโกรธผ่านมาแล้วพอ ร, รู้ทันนะความโกรธสลายไปไม่มีอะไรเติมลงไปในจิตค่ ะ, ะพี่พี่ผู้หญิงก่อนนะคะค่ะเสียงดงัดงๆนิดนึงนะคะหนึ่งคถามนะคะเพื่อประโยชน์ส่วนรวมค่ะ ไม่ทันก็ไม่ทันรู้เท่าที่รู้ได้นะแต่ถ้ารู้จนใจเราฟุ้งซ่านขึ้นมาแล้วเนี่ยวางสักกลับมาทำความสงบใหม่ค่ะพี่ผู้ชายค่ะข้างหลังนะคะเชิญค่ะกะะ็ให้รู้ว่าเพ <S <S นะา่งนะก็ให้รู้ว่ารประคองนะ โอเคจบนะคะทางด้านนี้มีใครจะตั้งคำถามไหมคะเ <c oughs> ชิญค่ะเสียงดังๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะไล่ทีละแถวนะคะไล่ทีละแถวคะ่ะ <c oughs> การพิจารณาดูกายอะคะ่ะอยากจะขอไม่ <c oughs> <c oughs> ดูเวทนาก็ส่วนเวทนาสิดูกายก็ส่วนกายอย่างถ้าถนัดดูเวทนานะเราก็นั่งสมาธิไป <c oughs> นั่งทีแรกก็เห็นร่างกายมันนั่งอยู่นี่เรารู้กายนะเราเห็นรูปที่นั่งอยู่จิตเป็นแค่คนดูค่อยๆแยกก่อนมีร่างกายที่กำลังนั่งมีจิตเป็นคนดูอย่างนี้นั่งไปสักพักหนึ่งความปวดความเมื่อยแทรกเข้ามาเราก็จะเห็นเลยว่าร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งความปวดความเมื่อยเป็นอีกสิ่งหนึ่งจิตที่เป็นคนดูก็อยู่อีกอย่างหนึ่งนะค่อยๆหัดแยกขันไปเรื่อยๆค่ะแถวที่สองมีไหมคะอาคุณพี่เชิญค่ะเสียงดังนิดนึงนะคะ ได้สินะแต่ว่าจิตของคนที่จะฟังก็ต้องเปิดรับนะในความเป็นจริงเนี้ยธรรมะแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้หรือไม่ตรัสรู้ธรรมะก็แสดงตัวอยู่แต่ทำไมเรารับไม่ได้เราไม่สามารถเปิดใจของเราขึ้นรับธรรมะได้อะไรที่ปิดกั้นใจของเราไม่ให้รับธรรมะนะไหมความคิดความเห็นของเราเองอะ่ะเรากล้าโยนความคิดความเห็นทิ้งไหมแล้วก็มา เข้ามาประจักษ์นะกับสภาวะที่กำลังเกิดดับต่อหน้าต่อตา อ, อย่างเราเห็นในจิตมีแต่สภาวะที่เกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปไม่ใช่แบบเข้าทรงนะหลวงพ่อเข้าทรงคุณปุ๊บแล้วคุณรู้แจ้งไม่ใช่จิตสู่จิตอย่างนั้นหรอกนะค่ะแถวที่สามมีไหมคะขอไปแถวที่สาม อาจารย์ค่ะจิตเนี่ยเอาไว้ดูกายด้วยใช่ไหมคะแล้วมีท่านที่รู้อารมณ์นะเป็นตัวรู้ใช่ไหมคะแล้วตั ว, ตวที่รู้รจิตล่ะคะคือจิต อ, <ะ>อีกดวงหนึง่งไปรู้จิตอีกดวงหนึง่งจิตเนี่ยนะมันเป็นแปลว่าธรรมชาติที่รู้อารมณ์อารมณ์หมายถึงสิ่งที่จิตรู้นะคือออบเจกตีฟกับซับเจกตีฟนะจิตเป็นคนที่ไปรู้สิ่งที่ถูกรู้เรียกว่าอารมณ์อารมณ์ประกอบด้วยอะไรบ้างอารมณ์ประกอบด้วยร่างกาย ประกอบด้วยจิตประกอบด้วยความคิดนึกต่างๆที่เราคิดขึ้นมาเองอารมณ์อีกชนิดหนึ่งคือนิพพานซึ่งเหล่านี้รู้ด้วยจิตทั้งนั้นเลยกระทั่งตัวจิตเองนะก็รู้ได้จิตแต่เราต้องเห็นนะจิตมันเกิดดับเช่นจิตที่โกรธเกิดขึ้นเกิดจิตอีกดวงหนึ่งมีสติขึ้นมาจิตที่ดวงที่มีสตินี่ไม่ใช่จิตดวงที่โกรธคนละดวงกันมันจะรู้ว่าจิตดวงตะกี้โกรธจะเห็นว่าจิตที่โกรธนั้นดับไปแล้วเกิดจิตดวงใหม่ รู้ว่าว่าเมื่อกี้โกรธ ถ, ถัดจากนั้นก็เกิดจิตอีกดวงหนึง่งอาจจะเป็นจิตโกรธต่อก็ได้หรือเป็นจิตที่มีสติอีกก็ได้นะเลือกไม่ได้หรอกว่าจิตดวงที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยจะเป็นกุศลหรืออกุศลค่ะทางด้านสุดท้ายมีไหมคะแถวสุดท้ายค่ะดี่เราจะไล่ไปนะคะสลับไปสลับมาก็าจะได้ทั่วถึงนะคะต้องขออภัยด้วยค่ะกลับนมัสการหลวงพ่อ ค, ะค่ะจิตผู้รู้เที่ยงไหมคะไม่เที่ยง ถ้าเกิดเห็นแป๊บหนึ่งนี่แล้วก็ดับไปก็นั่นแหละมันเกิดแล้วมันดับนะสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับทั้งสิ้นน ะ, ะจิตผู้รู้เองก็เกิดดับจิตผู้รู้ไม่เที่ยงขอบคุณค่ะมีครูบาอาจารย์วัดป่าองค์หนึ่งนะคือหลวงปู่ล่าผููเจ้าก็สอนดีท่านบอกว่าถ้าใครเห็นว่าจิตผู้รู้เที่ยงเป็นมิจฉาทิฏฐิสอนดีนะสอนถูกตําราเป๊ะเลยถ้าจริงๆ จ, จ, จิตเกิดดับจิตเป็นผู้รู้บ้างจิตก็เป็นผู้คิดบ้าง เกิดดับไปเรื่อยๆไม่คงที่อยู่หรอกค่ะหลวงพ่อคะมีคําถามเป็นกระดาษมานะคะว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าพระอรหันต์ท่านใดเป็นพระอรหันต์นะคะดูจากข้อวัดปฏิบัติอะไรได้บ้างนะคะดูไม่ได้หรอกพระอรหันต์บางองค์กระโดกกระเดกหรอกนะค่ะแล้วก็มีคําถามจากทางด้านฝั่งนี้บ้างนะคะเชิญค่ะยืนขึ้นเสียงดังนิดนึงค่ะ คือเวลาเราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยนะแต่ละวันเวลาอยู่ในชีวิตประจําวันเงี้ยบางทีจิตเราไปติดอะไรอยู่เรียบร้อยแล้วเราไม่รู้หรอกอย่างบางคนเนี่ยปฏิบัติมาจนชินนะพอตื่นเช้าขึ้นมานะขยับจิตนิดหนึ่งปั๊บไปอยู่ในความว่างๆเนี่ยแล้วไปอยู่ตรงนี้ทั้งวันเลยนะมองไม่ออกว่ามันเข้าไปตรงไหนแต่ตอนตื่นนอนเนี่ยพอตื่นปั๊บเนี่ยยังไม่ทันจะเข้าช่องนี้แตตอนตื่นนอนนะถ้าเกิดเห็นจิตมันขยับเข้าไปช่องนี้นะมันจะรู้ทันนะ ทีหลังมันจะไม่ติดอีกองั้นตอนที่ตื่นนอนเนี่ยคล้ายๆเราก็เพิ่งเช็ดโต๊ะมาใหม่ๆโต๊ดนี้ไม่มีอะไรเลยนะมีฝุ่นเล็กๆตกลรมาณเดียวเราก็มองเห็นล้แต่อย่างตอนกลางวันนี่นะเราเก็บขยะไว้เต็มโต๊ะแล้วจริงจบมาตัวหนึ่งบางทียังไม่เห็นเลยนะงั้นตอนตื่นนอนนะรีบรู้ทันเลยอะไรเกิดขึ้นในกายคอยรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในจิตใจคอ ย, คอยรู้สึกเพราะตอนนั้นยังไม่ทันมีอะไรให้ดูเยอะแยะหรอกค่ะอ่ะพเชิญค่ะเสียงดังนิดนึงนะคะ ได้แต่เวลาที่คุณรู้เวทนาคุณระวังนิดหนึ่งนะอย่าไปประคองจิตให้นิ่งนะการรู้บางทีมีสองแบบรู้โดยที่ประคองจิตให้นิ่งๆแล้เราก็รู้ไปอย่างเงี้ยจิตทื่อๆอย่อยางเงี้ยรู้อย่างนี้ใช้ไม่ได้นะต้องรู้แบบเป็นธรรมชาติธรรมดานะจิตใจต้องเป็นธรรมดาจริงๆจิตตอนนี้เป็นธรรมดาไหมล่ะหลวงพ่อถามโอ้ตอนนี้ไปกดไว้ <laughs> ใช่ไหม <laughs> ถ้าจิตอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะ ไม่เป็นอย่างนี้เ อ, อไหวๆอะดีแล้วถ้ามันไหวมากๆก็คอยรู้ทันนะเห็นมันขยับพยเยื่อเคลื่อนไหวคอยรู้รู้ไปสบายๆอย่าไหลาตามมันไปเห็นจิตไหลไปนะแต่ไม่ไหลาตามมันไปเป็นคนดูค่ะยืนแถวสองแถวสองเชิญนะคะพี่อะค่ะยืนขึ้นมาแล้วก็ยืนเลยค่ะเสียงดังนิดนึงนะคะดังนิดนึงค่ะไม่ได้ยินค่ะ เราเห็นทุกเห็นเวทนาทําอย่างไรทําให้ใจเราเบิกบานนะคะเราทําไม่ได้นะจิตเป็นอนัตตาสั่งให้เบิกบานไม่ได้แต่ถ้าเรามีสติเกิดขึ้นนะจิตเป็นกุศลในอัตโนมัตินะอย่างร่างกายกําลังเจ็บป่วยองนีะ้แต่สติระลึกรู้เห็นร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งความเจ็บป่วยอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งจิตมันเบิกบานขึ้นได้เองเราสั่งให้จิตเบิกบานไม่ได้เพราะจิตเป็นอนัตตา ถ้าเมื่อไรจิตเป็นกุศลขึ้นมาจิตก็เบิกบานเองจิตที่เป็นกุศลเมื่อต้องมีสติขึ้นมาหมายความว่าต้องปฏิบัติเรื่อยๆใช่ไหมคะใช่ต้องฝึกเรื่อยๆฝึกจนกระทั่ง เ, เห็นว่าร่างกายก็ส่วนหนึ่งเวทนาก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเวทนากับกายเนี่ยคนละอันกันน ะ, ะดูออกไหมเวทนากับจิตก็คนละอันกันอย่างเวลามันเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยถามว่าร่างกายเจ็บป่วยไหมร่างกายไม่ได้ป่วยนะความเจ็บความป่วยมันมาอยู่ในร่างกายมันแยกกันร่างกายเป็นวัตถุร่างกายไม่เคยเจ็บหรอก แล้วจิตเป็นธรรมชาติรู้จิตไม่ได้เจ็บความเจ็บความปวดนั้นเป็นอีกขันหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แทรกเข้ามาแล้วถ้าเกิดจิตป่วยแลย้วด้วยหรอคะอะไรนะนเนี่ยบางเวลาให้ไม้แล้วจะยึดไม้นะคะวควรบกวนส่งไม้ขึ้นด้วยค่ะถ้าจิตป่วยให้รู้ทันฝึกให้มีสติไปนะหให้เห็นเลยจิตไม่ยอมรับความจริงว่ากายจะป่วยจิตอยากให้หายให้รู้ทันใจที่อยากไหม S <S จิตมันป่วยก็เพราะมันอยากนั่นแหละขอแถวที่สามนะคะแถวที่3มีท่านใดยอยากจะถามไหมค ะ, น, ะน้องสกลแถวที่สามหันขวาค่ะหันขวาคําถามเดียวนะคะเราขอความกรุณาขอความร่วมมือจากท่านด้วยนะคะจะได้ทั่วถึงกันนะคะครับเส่วนใหญ่ลูกน้องที่อยู่ในคอนโทรลติดในการมาสุขรวมทั้งตัวผมด้วยฮนะแต่นี้จะใช้ข้ออะไรในการที่จะ ปฏิบัติในการที่จะรักพวกนี้ฮะทำอะไรนะส่วนใหญ่จิดในการมาสุขคือฟังชอบฟังเสียงเพลงชอบอะไรก็อคอยรู้ไปจิตมีความสุขก็คอยรู้นะแล้วเราจะเห็นเลยว่าความสุขมันอยู่ชั่วคราวสั้นนิดเดียวพอเห็นบ่อยๆนะเราจะรู้ว่าโอ้โหเที่ยวหาการมมาสุขแทบแย่เลยพอได้มานะเสพได้นิดเดียวก็หายไปลว เฝ้ารู้เฝ้าดูไปถึงวันนึงเราจะรู้ว่ากวามมสุขก็เหมือนภาพลวงตาเทนั้นเองไม่มีจริงหรอกอยู่แวบๆก็หายไม่เคยเต็มอิ่มหรอกหาแทบแย่เลยใช่ไหมอย่างสุว่าจะไปกินข้าวขับรถไปตั้งไกลจะไปฟังเพลงขับรถไปตั้งไกลนะไปฟังแป๊บเดียวก็ไม่มีความสุขแล้วพอเราเห็นเลยมันเป็นเรื่องไร้สาระใจไม่เอาตอนนี้ยังเห็นว่ามีสาระก็เห็นไปก่อนค่ะทางด้านมุมนั้นมีท่านใดยอยากจะถามไหมคะเชิญค่ะ คือขั้นแรกควรจะเรียนซะ ก, ก่อนนะว่าจิตที่ติดเพ่งเป็นยังไงถ้าเรารู้ตรงนี้เนะี่ยเราทําสมถะได้โดยไม่ต้องกลัวติดหรอกที่มันไปติดสมถะนะเพราะว่าจิตไปติดการเพ่งติดการประคองแล้วไม่รู้ทันนะงั้นคุณหัดสังเกตจิตใจไปก่อนจิตใจตอนเนี้ทือๆผิดความจริงองี้ติดสมถะนะเสร็จแล้วพอเราไปทําสมถะนะพอใจเริ่มทือๆรู้ทันมันก็หายเองนะก็ไม่ติดหรอกมันติดเพราะไม่รู้ถ้ารู้เราไม่ติด ค่ะแถวนี้มีท่านใดไหมคะเชิญค่ะสีชมพูเชิญค่ะถาเกิดว่าขอใช้อุบายการฉยิง้างกเพือ่อให้ฉีดบ่อก็กออได้เป็นอุบายรู้ว่าเป็นอุบายใช้ได้ถ้าทำใช้อุบายอยู่ไม่รู้ว่าเป็นอุบายนะนึกว่าเป็นหลักอันนี้ใช้ไม่ได้อุบายก็มีประโยชน์นะเอาไว้ช่วยตัวเองยามขับขันอุบายคล้ายๆพาลาเซตามอน ค่ะพี่อาเชนค่ะพี่พผูพพ้ชายค่ะอะไรนะ<ภ>ประโยค์สุดท้ายมันรู้ชั่วคราวนะเราไม่ใช่พระโสดาบันงั้นบางทีก็ไม่มีเราบางทีก็กลับมามีเราอีกเฝ้ารู้เฝ้าดูไปบ่อยๆวันหนึ่งจิตยอมรับความจริงเมื่อเวลามันยอมรับความจริงนะมันจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิเข้าฌานนะเข้าโดย อ, อัตโนมัติแล้วไปตัดกันในฌานจริง ไม่ได้มาอยู่ข้างนอกๆ อ, อย่างนี้เนาะค่ะแถวที่สองมีไหมคะอย่าเพียงนะคุณที่ใส่แว่นตาเดี๋ยวนะคะแถวขอแถวที่สองค่ะอาเชิญค่ะพี่ค่ะเสียงดังนิดนึงนะคะ เมื่อกีหลวงพ่อบอกโยมตรงนี้ติดหรือไม่ติดอยู่ที่รู้หรือไม่รู้นะนั่งสมาธิไปจิตสงบรู้ว่าจิตสงบนะจิตไปเพ่งอยู่รู้ว่าเพ่งอยู่ยนี่ไม่ติดหรอกนะไปเดินจงกรมแล้วก็น้อมใจให้ซึมอย่างนี้ติดแน่ถ้ารู้ทันว่าน้อมอยู่ก็ไม่ไม่ติดนะอยู่ที่รู้ทันนะมันไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติธรรมเจริญสติเป็นแล้วเราไม่นั่งสมาธิไม่เดินจงกรมไม่ใช่นะ ถึงเวลาเราก็ไปนั่งสมาธิถึงเวลาเราก็ไปเดินจงกรมแต่นั่งแบบมีสตินั่งแบบใจตั้งมั่นนะไม่ใช่นั่งแล้วก็เคลิมงองแงงองแงขาดสติไปเมื่อ20สกว่าปีก่อนเนาะหลวงพ่อไปอยู่กับหลวงพุทธเทศบ่อยหลวงพุทธเทศที่หินหมักเป้งกลางคืนนะเขาก็ไปภาวนากันในโบสถเยอะเลยแล้วก็ไปเดินดูเอ๊มีแต่คนเพ่งฮนะในใจก็นึกนะว่าไม่เห็นมีใครปฏิบัติเลย ในใจนึกอย่างนี้เขานั่งเพ่งกันอย่างเดียวนั่งก็บางคนก็เพ่งแรงๆเครียดๆบางคนเพ่งแล้วก็เคลิมง้องแงก้งแงกเราก็นึกนินทาว่าไม่เห็นใครปฏิบัติพอเช้าขึ้นมานะเขาไปกราบหลวงปู่หลวงปู่มองหน้าเราแล้วก็ยิ้มยิ้มนะบอกวัดนี้เขาไม่ปฏิบัติกันแล้วละ่ะ <laughs> เรานี่โอ้แทบจะหัวมุดใต้ถุนไปเลยนะเราผิดตรงไหนผิดตรงที่แทนที่จะดูตัวเองนะพาไปเดินดูคนอื่นเขา <laughs> ค่ะขอบพี่ที่ยืนอยู่ริมขาเสื้อม่วงเชิญค่ะเสียงดังนิดนึงนะคะห้ามใจว่าได้ดูการกิดเหตุ่นปัจจุบันกับอนาคตขาทตก่อนเต้วก็ไะม ค่อยๆสังเกต ด, ด้วยนะเวลาอยู่ข้างนอกใจไม่ตั้งมั่นรู้สึกไหมใจชอบหนีเที่ยวให้คอยรู้ทันเอาค่ะกลับมาที่ด้านหน้านะคะเชิญค่ะอะไรนะมีมีสติอะไรนะ อ, อ๋อด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางในขณะเดียวกันในแว บ, บเดียวกันในขณะเดียวกัน ในขณะนั้นนะมีเจตสิกที่เกิดร่วมกับจิตดวงนี้หลายตัวเลยอันนึงมีสติอันที่สองมีสัมมาสมาธิอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เกิดปัญญาเห็นความจริงมันเกิดในขณะเดียวกันเวลาที่คนเรารู้อะไรเนี่ยจิตชอบถลำลงไปรู้ถ้าเราคอยรู้สึกกายรู้สึกใจอยู่เรียกว่าเรามีสติรู้กายรู้ใจอยู่แต่เวลารู้เนี่ยถ้าจิตถลำลงไปเพ่งกายเรารู้ทันนะจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูได้มีสติรู้กายด้วยจิตที่ตั้งมั่นอยู่จิตไม่ถลำลงไป เหมือนเราดูฟุตบอลอยู่เราไม่ได้วิ่งลงไปในสนามฟุตบอลในขณะนั้นเราก็ยังดูฟุตบอลอยู่แต่ไม่ได้วิ่งลงไปจิตก็ยังดูกายดูใจทํางานโดยที่ไม่ไม่ถล่มลงไปในขณะเดียวกันแล้วก็เห็นในขณะนั้นเลยว่าตัวที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ไม่ใช่เราหรอกค่ะแถวที่สองมีคําถามไหมคะแถวที่สองขอแถวที่2ก่อนนะคะพี่เชิญคะ่ะยืนขึ้นพูดเสียงดังนิดนึงนะคะถือไม้แล้วอย่าติดไม้นะคะ นันมัสการท่านอาจารย์นะคะคืออยากจะทร า, าบว่าอย่างกรณีที่ตัวเองนะฮะเดินไปแล้วก็เจอคนคนหนึ่งที่ว่าเคยเรียกว่าอะไรตอนนี้ใจสัน่นเ <c oughs> <c oughs> ต้นเต้นค่ะคือไปไปทำบุญที่ผ่านมานะคะก็ได้ไปเจอลูกน้องเก่านะฮะที่เขาเคยเบิรเงินไป <c oughs> บอกว่า คุณพ่อไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโอเคให้เขาเบิกในที่สุดเขาก็ออกไปอืแล้วก็ไม่ได้มาใช่ไงฮะก็ได้คิดว่เอะเวลาเจอเขาปุ๊บคือเมาเห็นเขากำลังไหว้พระอยู่ก็เลยคิดช่างเหอะคนนี้นะเขาอ่ะเคยเบิกเงินเกินแล้วไม่มาคืนแล้วก็หนีอืแต่ในใจก็บอกช่างเหอะเราพี่สรุปนิดนึงนะคะเพราะมันจะยาวเกินไปอ่ะคือสรุปว่าเราเราเห็นจิตนะฮะว่ารู้ท่านจิตว่าเรา คิดยังไงรู้สึกโกรธแตัวารู้ที่รู้สึกโกรธเสร็จแล้วเราก็เออปล่อยวางออก็อภัยให้เขายกให้ อ, อ, อ, อันนั้นคิดเอานั่นคือ <laughs> เดี๋ยวว่าหลังก็โกรธอีกอะนั่นคือการ <laughs> ไม่ค่ะคืออยากจะทราบว่าตอนที่เราคิดว่าเออนั่นความคิดนั่นนะฮะนั่นคือการแทรกแซงหรือเปล่าแทรกแซงคือการทําสมถะเพื่อให้หายโกรธคือถ้าถ้าเรารู้เราก็แค่รู้ว่าเออเราโกรธนะเราก็จะเห็นว่าสภาวะของความโกรธเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็หายไป แค่นั้นเองแค่นั้นเองคือวิปัสสนาค่ะแถวที่สามมีหมคะเชิญคะ่ะ<ม>พี่พี่ผู้หญิงลุกเลยนะคะหนึ่งคำถามเพื่อส่วนรวมนะคะขออนุญาตย้ำอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่ค่ะพี่ขาเสื้อม่วงคะ่ะแถวที่สามนะคะมนมัสการวาาอจารย์คะ่ะขอถามว่าบางครั้งเออเมื่อไม่นานมานี้ภาวนาแล้วอยู่อยู่มันก็มีความคิดมันมีมีความสึกขึ้นมาว่า อะไรอมันก็ไม่ไม่สามารถผ่านกฎไตรักได้อันนี้มันเป็นความคิดหรือปัญญาที่เราเกิดะยังคิดอยูนอยังคิดอยู่ใจเรายังไม่หลุดออกมาแล้วแล้วแล้วอย่างนี้เราจะทราบได้ไงว่าเออถ้ามันรู้ด้วยปัญญาเนี่ยมันจะปล่อยวางค่ะใจมันจะโล่งขึ้นมาละวางขาแถวสุดท้ายมีไหมคะพี่ที่ยกมือพี่ที่ยกมือก่อนนะคะขาเชิญค่ะกับ พระอาจารย์นะคะคือสงสัยอย่างหนึ่งคือพอดีเพิ่งศึกษาศาสนาพุทธได้ปีกว่าค่ะสงสัยว่าหลักศาสนาพุทธเนี่ยจะมาแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงคืออันนี้มันก็กึ่งส่วนตัวกึ่งสังคมนะคะอย่างลูกชายอะวางของเอาไว้นะคะตรงประตูบ้าน <c oughs> แล้วก็บอกให้ลูกเขา ย, ย้ายของออกอ <c oughs> ลูกก็บอกว่าทําไมแม่ไม่เดินอ้อมไปล่ะคือเขาคิดอย่างนั้นจริงๆนะคะ <c oughs> คือบอกทั้งหมดสครั้งตั้งแต่ห้าโมงเยนจนถึงสามทุ่มพอสามทุ่มเนี้ยก็เออช่างก็เถอะเขาเป็นอย่างเงี้ยคือยอมรับแต่สงสัยจริงๆว่าแล้วหลักพุทธเนี่ยการยอมรับการรับรู้ตรงเนี้ยแต่มันจะแก้ปัญหาอย่างอื่นเนี้ยได้ยังไงคนเรื่องกันนะาศาสนาพุทธไม่ใช่าศาสนาไว้แก้ปัญหาทางโลกาศาสนาพุทธไว้แก้ความทุกข์ทางใจเเรื่องนี้ใหญ่มากเลยนะคนในโลกเนี่ยพอมีปัญหาทางโลกนะก็บวกความทุกข์ทางใจเข้าไป เช่นลูกดือ้อไม่อยากให้ลูกดื้อก็เลยเป็นทุกขนะ์หรือบางคนมีอาเสียคนหนึ่งนะได้เช็คเด้งมาสิบล้านคิดอย่างเดียวกูจะฆ่ามึงนะกินไม่ได้นอนไม่หลับศัตรูไม่ทันจะตายเนี่ยเสียนี้จะตายแล้วนะมาหาหลวงพ่อนะหลวงพ่อบอกว่าเฮ้ยเอ็เองไปนอนก่อนนะไปกินยานอนหลับซะก่อนนะมันไม่กลุ้มใจแล้วก็ไปกินข้าวนะให้สบายใจก่อน พอสบายใจนะแล้วก็ค่อยมาตั้งหลักดูเห็นไหมว่าอยากให้เช็คไม่เด้งแกบอกใช่แกอยากให้เช็คไม่เด้งบอกเด้งแล้วนะมันเด้งไปแล้วนะไปอยากอะไรที่ของมันไม่เป็นไปได้นะนี่พอแกรู้ทันนะแกเห็นเออใจมันอยากนะใจก็คลายออกนี่ไปกินข้าวไปพักผ่อนนะตื่นขึ้นมาสมองแจ่มใสและพอสมองแจ่มใสแล้วคราวนี้มาคิดแก้ปัญหาทางโลก จะกระนอมนี้หรอเขาไหมหรือจะฟ้องล้มละลายหรือจะทํายังไงให้เสียหายน้อยที่สุดนี้ใช้สติปัญญาแก้ปัญหาแล้วคนในโลกเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยจิตมันมีความทุกข์ไปด้วยทําให้ไม่มีสติปัญญาจะแก้ปัญหานะงั้นไม่ใช่สามีมีกิ๊กเราจะภาวนายัางไงดีพุทโธพุทโธมันจะเลิกกับกิ๊กไหมนะคนละเรื่องเลยนะอย่างนั้นสมควรให้มันมีหรอกค่ะ แถวแถวอาเช่นค่ะค่ะอยากจะถามหลวงพ่อว่าอยากให้หลวงพ่ออธิบายวิธีการสังเกต ต, ตัวเองหรือว่าวิธีการตรวจตอบว่าเราภาวนาเนี่ยเข้าที่เข้าทางอยู่หรือเปล่าจริงๆแล้วดูง่ายๆนะว่ายัางเผลอไปเรารู้ได้เร็วขึ้นไหมหรือเผลอที่ละวันนะ <c oughs> เผลอ แ, แวบรู้สึกแวบรู้สึกนะยิ่งเผลอบ่อยยิ่งเก่งอะตัวที่หนึ่งนะสติเกิดใบ่อยห ตัวที่สองใจเราตั้งมั่นจริงไหมหรือใจเราไหลแฉลบลืมเนื้อลืมตัวไปเรื่อยๆนะค่อยๆสังเกตไปนะกูสนเกิดบ่อยไหมล่ะสติเกิดขึ้นมาบ่อยๆได้ก็ดีคนในโลกหลงวันละครั้งตั้งแต่ตื่นจนหลับนักปฏิบัติที่เก่งๆนะใจไหลแวบรู้สึกแวบรู้สึกนะั้นนาทีหนึ่งหลงได้สามสิบครั้งเนะีนะ่ยค่ะ พ, พี่ผู้หญิงเชิญคะ่ะเสียงดังนิดนึงนะคะจะได้ ไม่ใช่สิเราอยากทำสมถะหรืออยากทำมิปัสนาล่ะขณะนั้นถ้าต้องการทำสมถะนะเราก็รู้ลมหายใจไปด้วยใจที่สบายๆรู้ไปเล่นไม่ต้องสนใจอื่นนะจิตใจเข้าอยู่กับลมนี่จิตใจมีความสุขจิตใจก็สงบได้สมถะถ้าขณะนั้นจิตใจเรามีเรี่ยวมีแรงพอเราก็ไม่ติดอยู่แค่สมถะนะเราก็นั่งหายใจไปแล้วพอเสียงมากระทบหูใจฉลับไปรู้ทันว่าใจฉลับไป นะเดินปัญญาไปเห็นจิตมันทํางานไปเรื่อยๆมันทําได้ทั้งสมถะทั้งวิปั ส, สนาในขณะนั้นคนละคนละส่วนกันนะอยู่ที่ว่าเราจะทําอะไรถ้าเราไม่มีแรงจิตฟุง้งซ่านดูไม่ออกเราก็ทําความสงบเข้ามาหายใจไปรู้เห็นร่างกายมันหายใจใจเราเป็นคนดูใจที่เป็นผู้รู้ผู้ดูนะมันตั้งมั่นขึ้นมาสงบขึ้นม า, ม, นน ม, ามีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาสงบไม่ใช่สลบนะสงบเนี่ยใจมันจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมานะ สลบคือใจมันไหลไปเลยเคลิ้มเคลิมครึ่งหลับครึ่งตื่นอันนั้นใช้ไม่ได้รอนะะงั้นถ้าใจสงบนะก็จะเห็นใจเป็นผู้รู้ผู้ดูเด่นดวงขึ้นมาสงบตั้งมั่นอยู่นะอย่างนี้ใจมีสมาธิจริงบางทีร่างกายหายใจร่างกายหายใจไปเรื่อยนะดูดไปร่างกายหายไปเลยไม่มีกายนะแต่ใจผู้รู้ผู้ดูนะี่ตั้งมั่นเด่นดวงอยู่อย่างนี้นทำสมาธิได้ประณีตเลยถ้าจิตใจมีแรงแล้วก็ามาเจริญปัญญา เห็นร่างกายหายใจอยู่ไม no ่ใ tamam> ช่เราหายใจเห็นร่างกายที are are ่นั่งอยู่ไม่ใช่เรานั่งเห็นจิตใจเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเฉยๆบ้างจิตหลงไปทางตาหลงไปทางหูหลงไปทางใจบ้างรู้รู้ความเคลื่อนไหวรู้ความเปลี่ยนแปลงไปเราก็เจริญปัญญาละไม่เอาเฉยอย่างเดียวค่ะแถวที่สองเมื่อสักครู่ที่จะจับไม้อ่ะค่ะแถวที่สองเมื่อสักครู่ที่จับมาอย่างอยากจะถามอยู่หรือเปล่าคะเชิญค่ะ ก็อยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าที่ที่ทำอยู่เนี่ยพอใช้ได้ไหมคะที่ปฏิบัติอยูค่ค่ะใจมันไม่ค่อยมีแรงนะพยายามทําในรูปแบบบ่อยๆเคลื่อนไหวไว้เคลื่อนไหวร่างกายนะไปทํางานบ้านทำอะไรเงี้ยนะใจมันไม่มีแรงรู้สึกไหมรู้สึกเหมือนว่าไม่ถึงฐานนะคะนื่องจากไม่ถึงฐานนะป้าแป๊ป้าแป๊ไปนะค่ะขอย้าอีกครั้งนะคะเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะคะขอใหม่คืนแถวสุดท้ายมีไหมคะ เราขอความกรุณานะคะขอคําถามเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะคะเรียนเชิญสุดท้ายค่ะสุดท้ายจิตมันไม่ถึงฐ า, า, า, านนะน้องพ่อคะ่ะหนูกราบน้ำสการค่ะหนูขอถามเพื่อส่วนรวมนิดนึงอะคะ่ะ <laughs> จะถามว่าหลวงคือทราบมาว่าความสุขเป็นเหตุให้เกิดสมาธิใช่ไหมคะและสมาธิเป็นเหตุให้เกิดปัญญาค่ะอืม คือจะถามว่าขอขอให้หลวงพ่อช่วยแนะนําให้กับเพื่อนๆ น, นะคะว่าความสุขอะไรเป็นเหตุให้เกิดสมาธิะคะ่ะความสุขอะไรก็ได้ที่เป็นกุศล น, นะความสุขที่เป็นอกุศลถึงจะทําให้มีสมาธิก็ไม่เอานะเพราะมันมีโทษที่หลังอย่างบางคนไปนั่งตกปลาแล้วมีความสุขมีสมาธิไหมมีไปนั่งเล่นไพ่อย่างมีความสุขแล้วมีสมาธิในการเล่นไหมมีนะตํารวจมายังไม่รู้เลยแต่อย่างนั้นไม่เอานะแล้ว หาอารมณ์ที่มันเป็นกุศลเช่นคิดถึงพระพุทธเจ้าหรือฟังซีดีหลวงพ่อไปเนี่ยนะอ่านหนังสือไปคิดถึงความตายไปยุคนี้ไข้หวัดระบาดเห็นไหมไปไหนก็ต้องใส่หน้ากากาจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อะไรเนี่ยคิดถึงความตายจิตใจก็สงบขึ้นมาทําอะไรก็ได้ที่มันจิตมันเป็นกุศลนะค่ะขออนุญาตเป็นคําถามจาก ผู้ที่เขียนมาแป๊บหนึ่งนะคะวิธีการทําให้ไม่ขี้เกียจและทําได้อย่างต่อเนื่องทําอย่างไรคะโรคขี้เกียจนะนะเป็นโรคแสลงของหลวงพ่อมากเลยโรคขี้เกียจนะมันโรคของคนประมาทนะคิดเหรือว่าชีวิตจะมีความสุขอยู่ตลอดเวลานะเราต้องคิดถึงนะว่าในอนาคตเนี่ยอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตเมื่อไหร่ก็ได้เราอาจจะอยู่ๆปุ ป, ปับเป็นมะเร็งตายก็ไดนะ้นั้นถ้าเราคอยคิดนะว่าชีวิตเป็นของไม่แน่นอนนะ นี่จะไม่ประมาทหรอกถ้าเราหลงระเริงเราคิดว่าอย่างแน่นอนยังไม่เป็นอะไรหรอกเราก็ประมาทไปวันหนึ่งวันหนึ่งเวลาที่เกิดปัญหาชีวิตขึ้นมาเราก็ช่วยตัวเองไม่ได้ละ<ช>การภาวนาเหมือนการหัดว่ายน้ำต้องหัดเสื้อต่อนก่อนที่จะตกน้ำเพราะนเราต้องหัดตั้งแต่ก่อนที่มันจะทุกข์มากๆนะหัดเจริญสติไปเป็ใ<ช>ในใจเราตั้งมั่นขึ้นมาแล้วต่อไปเวลาเผชิญความทุกข์เผชิญปัญหาชีวิตมันถึงจะสู้ได้ ถ้าประมาทตอนนี้เราก็เวลาเกิดปัญหาแล้วมันช่วยไม่ทันแล้วเหมือนตกน้ําไปแล้วนะจะมาถามว่าวิธีว่ายน้ําจะทํายังไงไว่ายได้กี่ท่าอะไรอเงี้ยตายตายท่าเดีย ว, วยค่ะเชิญค่ะรับการวิจารณ์หลวงพ่ครับผมขอถามหนึ่งคำถามนะครับเพื่อส่วนรวมนะครับและเพื่อส่วนตัวครับ <c oughs> <c oughs> ผมรู้สึกว่าดูไม่ใช่ดู ถูกต้องดูดูถูกนีครับแปลกแปลว่าอะไรอ่ ะ, อะดูจิตกับคือการดูไม่ใช่การกทำไม่ใช่<ำ>ไม่ไม่ใช่ทําอะไรไม่ใช่ดูดีโอดูนะใช่ครับเดูคือการที่เข้าไปเห็นสภาวะที่กําลังปรากฏเราเรียกคําว่าดูปไปแล้วแต่คําที่ตรงๆนะคือคําว่าเห็นคําว่าวิปัสสนานะปัสสนะคือการเห็นเราพูดว่าดูจิตดูจิตจริ ง, รงๆเห็นนะเห็นจิต เห็นกระบวนการทำงานของจิตเห็นสภาวะของมันก่อนแล้วก็เห็นกระบวนการของมันไม่ใช่คิดเอาไม่ใช่เข้าไปทำเอาไม่ใช่เข้าไปแทรกแสงเข้าไปเห็นมันเห็นมันทำงานไม่ได้ไปทำซะเองนั้นที่ดูไม่ใช่ดูก็ถูกแล้วนะแล้วกระผมนี้พอที่จะดูจิตได้ถูกต้องหรือยังครับยังยังใช่ไปฟังซีดีนะไปฟังซีดีแล้วก็คุณต้องวาง ความยึดในความคิดความเห็นทิ้งไปก่อนนะตัวนี้เป็นตัวปัญหาต้องใจถึงถึงเลยแล้วก็ตามดูความเปลี่ยนแปลงของมันไปอย่าไปคิดนํามันนะค่ะต้องขออภัยทุกท่านนะคะเนื่องจากเหลือเวลาอีกสนาทีสําหรับคําถามนะคะจะขอเป็นคําถามในมือแล้วกันนะคะขอคําแนะนําสําหรับผู้บริหารที่ต้องคิดเรื่องงานตลอดเวลาเจ้าค่ะไม่มีผู้บริหารที่คิดเรื่องงานตลอดเวลาในโลกนี้ไม่มีนะครับ ผู้บริหารใจลอยซื้ได้เยอะมันมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะบอกว่าพวกคนที่ทํางานที่ใช้ความคิดหนักๆเนี่ยจริ ง, รงๆคิดวันหนึ่งประมาณ4ี่ชั่วโมงเวลาที่เหลื อ, อไว้ใจลอยนะเพราะฉนั้นทําเมื่อไหร่เราสามารถจำแนกชีวิตของเราเป็นช่วงเล็กๆอย่างสมมติว่าเตรียมจะไปไประชุมเงีนะ้ยดูเอกสารนิดหน่อยจับประเด็นแล้วมีเวลานิดหน่อยระหว่างนั่งรถไปไประชุมนะรู้กายรู้ใจไปเลยเวลาเล็กๆเนี่ยสำคัญนะเพราะมีเยอะมากเลย หรือตอนเดินเข้ามาในห้องทํางานใช่ไหมตอนนี้ยังไม่ได้ทํางานเห็นร่างกายมันเดินเห็นจิตใจมันทํางานเวลาหยิบกาแฟขึ้นซดไหเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นจิตใจเคลื่อนไหวเวลาพวกนี้มีเยอะพระเจ้าอยู่หัวของเราภาวนาเก่งนะหลวงพ่อเคยอ่านหนะังสือหนึ่งเป็นประวัติหลวงพ่อเกษมเขมมโกการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เ, ى, เขาพิมพ์แจกแต่ว่าหลาย10ปีแล้ว ในหลวงเนี่ยเคยไปเล่าให้หลวงพ่อเกษมฟังบอกว่าตัวท่านภาวนาท่านไม่ค่อยมีเวลาท่านเป็นนักบริหารใช่ไหมท่านทํางานเยอะไม่ค่อยมีเวลาแต่ท่านซอยชีวิตท่านเป็นช่วงเล็กๆมีเวลา2นาทีนาทีหนึ่งนี้ท่านปฏิบัติของเราถ้าคิดงานมาชั่วโมงนะเหลือ1นาที2นาทีเราจะโยนทิ้งนึกออกไหมเราชอบทิ้งของที่มีค่านะหาเงินไปซื้อก็ไม่คืนมาไม่ได้นะเพราะฉนั้นผู้บริหารทั้งหลายนีมีเวลานิดๆหน่อยๆ น, นะ รู้ทันกายรู้ทันใจของตัวเองไปเลยเราทำงานทำบริษัทใหญ่โตอะไรนี้นะั้นมันเป็นแค่เครื่องอาศัยอยู่ในโลกโชั่วคราวหรือว่าเป็นมรดกให้ลูกให้หลานเท่านั้นแต่ว่าอะไรที่จะติดเนะื้อติดตัวเราอย่างแท้จริงมีจิตสติไว้นะเพื่อตัวเราเองเลยไม่มีใครช่วยเราได้หรอกลูกหลานดีวิเศษแค่ไหนนะพอเราจะตายมันก็แค่มาล้อมเตียงอยู่เท่านั้นนะมาดูว่าเมื่อไหรจะตายนะ ขอนุญาตเป็นคําถามสุดท้ายนะคะมีวิธีที่จะทําให้จิตตั้งมั่นหรือไม่เจ้าคะเจ้าทำจิตเนี่ยนะเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้แต่จิตเป็นธรรมชาติที่ฝึกได้เราั้นเราก็ต้องฝึกทํายังไงจิตจะตั้งมั่นนะให้จิตเข้าเคลียร์อยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อนเนื่องจิตก็จะสงบขึ้นมานะแล้วก็รู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมานะจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมานะหัดรู้บ่อยๆแล้วใจก็จะตั้งมั่นบ่อยๆ ต่อไปไม่จะตั้งได้ทั้งวันนะไม่ยอมเผลอเลยค่ะและท้ายสุดนี้ค่ะขอพระอาจารย์ช่วยสรุปการบรรยายในวันนี้นะคะแล้วก็ขอพรให้กับทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ด้วยเจ้าค่ะก็การปฏิบัติไม่มีอะไรมากนะเราคอยตามรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจบ่อยๆร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกไว้ไม่ใช่เดินใจลอยไปเตะโต๊ะเตะตเก้าอี้ไปเรื่อยๆนะ ร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเราเคลื่อนไหวคอยรู้สึกครูบาอจารย์องค์หนึ่งของหลวงพ่อนะคืออาจารย์มหาบัวท่านเคยสรุปไปเลยว่าการปฏิบัติไม่มีอะไรมากหรอกมีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติอย่าให้เกินกายเกินใจเอาไปคอยรู้อยู่ที่กายที่ใจบ่อยๆนะวันหนึ่งก็เห็นความจริงของมันไปพอเห็นความจริงแล้วไม่ต้องขอพอรอีกต่อไปแล้วเราได้รับพรนั้นประเสริฐด้วยตัวเราเองนะตอนนี้ยังไม่ได้รับก็รับไปก่อน ยถาวะริบาฮาปุราปริปูเรนตีสาคะรังเอวเมวาอิโตดินนางเปตานางอุปกปติอิชิตังปติตังตุมหังคิปะเมวาสมิชตุสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโทพนรโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัตชันตตสัพพโรโควินัสโตมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคาโยโกภวะ อภิวาทนาสีลิสนิจังอุทาพจายโนจัตารโรธรมมาวัฒนตีอายุวันโนสุขขังพะลัง